ต่อไปนี้พิธีกรรมเสร็จแล้ว <c oughs> กงเริ่มรู้ความหมายมากขึ้นนะในขณะที่บอกว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาวิวเริ่มรู้หรื อ, อยังหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าเป็นผ้ารหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงใช่ตัดสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองพุทธังภะคะ ว, วันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานหมายความว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพุทธิยาเป็นปราราหันเชื่อไหมแปลว่าเป็นพระารหันเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแล้วก็เชื่อด้วยพุทธเจ้าวทศรูชอบได้โดยตนเองแล้วเชื่อไหมว่าแล้วมีความเชื่อมันม่นไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะปลึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพุทธิยาวให้ได้คิดอย่างนี้ไหม ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าศรัทธาของเราก็เลยห่างจากพระพุทธเจ้าเนะไม่ได้น้อมในการที่จะฝึกตนเองนะต้องการต้องต้องฝึกให้ได้อย่างนั้นแต่เดี๋ยววันนี้จะอธิบายในมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาจะอธิบายสองสูตรรวดเลย และจะสรุปประเด็นให้ได้นะเท่าที่เวลาจะจะจ ะ, จะให้มีจะบรรยายในเรื่องของทเทวทาวิตกสูตรและวิตตากสันฐานนสูตรในมัชฌิมานิกายมูลบันาธวิตต ก, กาสันฐานสูตรเนี่ยเป็นหรือเวทาวิตกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ตอนสมัยที่พระเจ้าปทับยุทเคตาวันอารอามของท่านอนาถาพินิจกาเษถีคําว่าโทเทาวิตกสูตรเนี่ยในตรวงเองก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าว่าโดวยวิตกสองประเภทประเภทเภ ท, ที่เป็นอกุศลนิตกส่วนหนึ่งและก็กุศลนิตกส่วนหนึ่งส่วนคําว่าวิตกะสันฐานสูตรนั้นว่าโดยที่ตั้งแห่งวิตกก็คือทางเดินของวิตกในสองสูตรนี้เชื่อมโยงกัน เ, นเชื่อมโยงกันก็คือในสูตรแรก พูดถึงในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวาวันารามของท่านอนาถาพินทิ่กาเษถีใกล้กรุงสาวสถีที่นั่นนะพระพุทธเจ้าก็เรียกสั่งภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูนลรับสนองพระดารัสแล้วก็ตรัสว่าเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้สัมมาสัมพธิธญาณเนี่ยเราก็ดำลี่ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกออกเป็นสองกลุ่ม เป็นสองประเภทเราจึงได้จัดการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็จัดเนคขมวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มที่สองเจ้านี่ในพระสูตรนี้คือท่านพยายามท่านอธิบายวิตกสองกลุ่มแล้วว่าวิตกกลุ่มไหนเป็นทอษวิตกกลุ่มไหนเป็นคุณแล้วก็วิธีการที่จะจัดการกับวิตกยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะนะ ส่วนในวิตกษาสันฐานทศูรเนี่ยว่าด้วยที่ตั้งแห่งวิตกเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับที่เชตวันเหมือนกันอารามของท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุดังนั้นก็ทูลรับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีกําจัดอกุศลวิตกจะทํำยังไงภ <laughs> ิกษุเนี่ย ถ้าปราถนาอยากจะกําจัดพวกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิธีการจะจัดการกับบาปควรทำยังไงดีไหมอันนี้สําหรับบุคคลที่ต้องการอยากจะจัดการกับไอ้อาบาปอกุศลในใจของตนเองเนี่ยที่มันจัดการยังไงก็ไม่ลงจัดการยังไงก็ไม่ลงเนี่ยพระเจ้าบอกเลยวิธีที่หนึ่งทำยังไงวิธีที่สองทำยังไงวิธีที่สามทำยังไงวิธีที่สี่ทำยังไงวิธีที่ห้าทำยังไงโอ้วเจ้าบอกขนาดนั้น แม่พระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราไม่เคยเอาหลักการพระเจ้ามาใช้เลยใช้วิธีแบบเราอยู่เรื่อยเลยแล้วก็เลยไม่ได้ผลอย่างที่ว่านี่นะดังนั้นต่อไปเราจะเป็นสัตว์ศิษย์ที่มีครูนะทําอะไรก็คือทําตามที่ครูบอกอย่างเงี้ยมั่นใจมากกว่าใช่ไหมเอาดูวิตกก่อนถ้าพูดถึงในเรื่องของวิตกเนี่ยถ้าเป็นวิตกฝ่ายดีเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกปะใช่ไหม เคยได้ยินครับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิตกฝ่ายไม่ดีเขาเรียกว่ามิจฉาสังกปะก็คือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตรกอันดับแรกการมวิตกเนี่ยหรือการมสังกปะาเนี่ยกามวิตรกก็คือความด âm รีที่เกี่ยวข้องกับการมีไห ม, มวิตกประเภทนี้มีกับพวกเราไหมความคิดนึกในทางที่จะแสวงหาหรือหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการที่จะบำรุงบำเรอภาษาทั้ง5้า ต้องการสีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆ ม, มาบำเลอ ER, ประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหรือสิ่งสนองตัณหาโดยอุปาทานต่างๆความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความนึกคิดทั้งฝ่ายราคะคือความกำหนัดและเป็นฝ่ายโลภมีไหมความรู้สึกแบบนี้มีไหมนี่พวกกลุ่มการมาวิตกประการที่สองพยาบาทวิตก พยาบาทวิตกก็คือความดํ่ริที่ประกอบไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองไม่พอใจเห็นกา ร, การเห็นการเพ่งมองในแ ง, ง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูเป็นศัต ร, ตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นเป็นทางที่ขัดอกขัดใจเห็นบ่อยไหมบ่อยไม่บ่อยเห็นอะไรแล้วขัดอกขัดใจ เป็นความนึกคิดทั้งฝ่ายโทสะในแง่ถูกกระทบตรงกันข้ามกับเมตตาเป็นไหมอากาศหนาวก็เครียดอากาศร้อนก็เครียดเนี่ยเคยเป็นไหมงุนงงเนี่ยนี่กลุ่มพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและวิหิงสาสังกปะเนี่ยคือความดําริในทางที่จะเบียดเบียนทําร้ายตัดรอนหรือทําลายเนี่ย อยากไปกระทบกระทั่งลุกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเคยคิดไหมความคิดนึกในฝ่ายเป็นโทสะเหมือนกันแง่จะไปกระทบตรงข้าวกับกรุณาเอาเราลองนึกดูที่ว่าในฝ่ายอากุศลวิตกเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยตัวไหนที่เกิดกับเราบ่อยที่สุดในแต่ละในแต่ละขณะ กามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกลุ่มไหนเกิดมากที่สุด <c oughs> กามาวิตกเนาะเอาใครพยาบาทใครวิหิงสาใครบอกไม่เคยเกิดเลย <c oughs> ฉันจะบอกทันทีว่าสแสดงว่าโมหะกินแล้วเนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เชื่อว่าจะมีคนดีขนาดนั้นไหนวิตกตัวไหนเกิดบ่อยที่สุด <c oughs> พี่ตกตัวไหนต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากนะว่าตามธรรมดาบุคคลเนี่ยรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าถูกใจก็ชอบใช่ไหมติดใจอยากได้พัวพันคล้อยตามถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ชอบก็ขัดเคืองพอขัดเคืองขึ้นมาก็ผักแย้งเป็นปฏิปักษ์จากนั้นก็ดำลิกคิดนึกต่างๆก็ดําเนินไปแนวทาง ตามแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบฉะนั้นด้วยเหตุเนี้ความคิดของบุคชนโดยปกติก็จึงเป็นความคิดความเห็นทีเ่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นความคิดที่ไม่ไม่ได้ดุลยภาพหรอกมีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเครือบแคลงแฝงชักจูงทําให้เห็นสิ่งทั้งหลายต่างๆเนี่ยก็หมายความว่ามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ได้มันไม่เห็นตามที่มันเป็น เพราะว่ามันเอียงมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บมันก็เลยไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ความนึกคิดที่ดำเนินไปตามความถูกใจชอบใจก็เกิดความติดข้องผัวพันก็เอียงก็หาก็กลายเป็นการมวิตกถ้าดำเนินไปในทางไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิปักษ์มองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกถ้าถึงขนาดพุ่งออกไปเป็นการรุกราน ลุกรานก็คือคิดเบียดเบียนทำลายก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทําให้เกิดทัศนคติเจตคติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไม่ถูกต้องความดําลิหรือความคิดที่เอียงเอียงทัศนคติที่บิดเบือนและเครือบแฝงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะการขาดอะไรอะไรเป็นตัวเป็นปัจจัยเป็นตัวหนุนเนื่องทําให้ความคิดทัศนคติ แนวความคิดเจตทติของคนเนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงสัทีเดี๋ยวก็คิดชอบใจบางไม่ชอบใจบ้างหรือบางทีก็คิดอยากจะไปลุกลานไปเบียดเบียนเขาบ้างเป็นต้นอลไรเนี้ยในความคิดสามอย่างเนี่ยมันพกพาอยู่ในใจของสัตว์เนี่ยมันเพราะอะไรมันขาดอะไรก อ, อขาดโยนิโสมนัิการนะเหตุที่คิดอย่างนี้ก็เพราะมีตัวอะโยนิโสมนสิการก็คือการคิดไม่ถูกทางไม่ถูกวิธี เป็นการมองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินรับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุ้นรับอะไรก็รับมาทั้งดุ้นเลยขาดการวิจัยแยกแยะจริงไหมมันมองแบบในรักโดยการขาดสติสัมปชัญญะก็ปล่อยความนึกคิดให้แล่นไปตามความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกล้วนๆเลยเอาความรู้สึกเข้าไปจับแต่ไม่สามารถพัฒนาไปถึงด้านทนัศนด้านปัญญาด้านปัญญาด้านความรู้ได้จริงมันอยู่แค่ความรู้สึก ไอ้ตรงนี้แหละมนุษย์เรามันติดขัดอยู่ตรงนี้แหละเอาความรู้สึกล้วนๆเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนทั้งหลายเราเนี่ยอยู่แค่ความรู้สึกมันจะมีด้านพฤติกรรมด้านจิตใจแล้วก็ด้านปัญญาใช่ไหมเราได้แค่ ด, ด้านจิตใจคือด้านความรู้สึกชอบไม่ชอบอยู่แค่นี้ยขาดอะไรถึงได้ถึงมนุษย์พัฒนาไม่ได้อยู่แค่ความรู้สึกเพราะขาดโยนิโสไม่สามารถพัฒนาไปถึงปัญญาได้จริงเนี่ย ปล่อยความคิดนึกให้แล่นไปตามความรู้สึกหรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจและไม่ชอบไปใจ เ, เป็นตัวนําไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบและความคิดสืบสาวค้นหาเหตุปัจจัยตามหลักของโยนิโสมนัิการเนี่ยทีนี้พอตัววิตกอย่างเนี้ยตัวมิชาวิตกมันทํางานตัวดํมบิวมามตกึกเนี่ยมันทํางานผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บมันก็ส่งต่อให้กับมิชาทิฐิมาแล้วแต่นี้ เถือกล้วกันใหญ่หมุนและตัวมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดพลาดไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็ทําให้เกิดมิจฉาสังกปะอีกการดรําริการคิดการมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างผิดภาคบิดเบือนก็เป็นมิจฉาสังกปะก็ส่งผลสะท้อนกลับไปหามิจฉาทิฐิอีกความเห็นผิดอีกก็หมุนกันอยู่อย่างนี้การเข้าใจการมองเห็นสิ่งทั้งหลายผิดพลาคบิดเบือนต่อไปองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสองอย่างก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะ มันก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันหมุนติดเป็นอัธยาศัยเป็นทัศนคติเป็นมุมมองเป็นโทนนิสัยของคนคนนั้นออกมาจนกลายเป็นออกจากมันไม่ได้ <c oughs> ก็ติดกับดักถูกตัวมิจฉาทิฐิแล้วเนี่ยปิดกัน้นนะบิดบังบิดเบือนเนี่ยเป็นคอกปิดกัน้นทำให้ปัญญาไม่สามารถออกไปทาหน้าที่ได้เต็มที่เลยเต็ม <c oughs> หลง <c oughs> หน่ากลัวไหม อา้าวแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเราดูรู้จักหน้าตามันก่อนเดี๋ยวจะได้หาทางออกใช่ไหมเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะบอกวิตักษาสันตานาสูตรว่าเออเราจะออกจากมันยังไงจะแก้ไข ย, ยังไงไอตรงนี้ต้องค่อยๆคุยค่อยค่ อ, ค อ, ค อ, คอหายใจหยุดเป็นพักๆพักเพราะตอนเนี้ยพอเรานั่งปรึกษากันอย่างเงี้ยมันก็นั่งหัวเราะกันมันก็บอกว่าตายทุกไลที่มันรู้จักฉันเนี่ยว่างั้นเลยนะ มันมีวิธีอีกเยอะที่จะจัดการคุณเนี่ยอะไรงเงี้ยนะพอคนรู้อย่างนี้ฉันก็จะไปดักอีกมมหนึง่งรู้อย่างนี้ฉันก็จะไปดักอีกง ม, มนึง่งเนี่ยพวกเราเป็นอย่างเงี้ยพราะว่าเราเวลามาวางแผนกันเนี่ยมันก็แอบแอบมาดูแผนของเราหมดเลยเราบอกตอนนี้เรามีกัญญาณมิตรแล้วคือมีพระพุทธเจ้าเราก็บอกเขาก็มีป้าอปมิตรเหมือนกันใช่ไหมติดเนี้ย ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นอตรงกันข้ามนิดนึงเนะตรงกันข้ามก็คือมองในเรื่องของตัวสัมมาสังกัปปะในพระในโเอทถาวิตกรสูรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสุ้ท่านยังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่ท่านก็แยกแล้วแล้วพอแยกอย่างนี้ต่อมาท่านจึงได้ตัดสุข <c oughs> โหสังขารจริงๆเนะ ใท่านดูตัวนี้ก่อนาท่านบอกว่าเออเมื่อก่อนท่านบอกพระเนียเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัดสรุปเราดำริว่าถ้าอะไรเราควรจะจัดวิตกออกมาสามพื้นสองกลุ่มแล้วเราจึงจัดว่าเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกอิหิงสาวิตกเป็นกลุ่มหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี่แหละในทางตนตรงเงินข้ามนาะการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตาม ตามที่มันเป็นของมันได้เนี่ยก็จะต้องใช้อะไรใช้โยนิโสมรสิการความเป็นผู้ฉลาดคิดคิดได้ถูกทางคิดได้ถูกวิธีคิดแบบมีอุบายนี่นะซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นน่ยความนึกคิดและความดําริต่างๆจะต้องปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจและความยึดติดพัวพันธุ์และความไม่ชอบใจผักแยง้งเป็นปฏิบัติต่างๆด้วยข้อนี้มีความหมายยังไง คือจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกประและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ต้องส่งเสริมสนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ไหมเช่นเดียวกับฝ่ายของมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันฝ่ายมิจฉาทิฏฐิก็จะมีตัวมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกประแล้วอโยนิโสมนัสการเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งฝ่ายเนี้ยชํานาญมากในชีวิตของเราที่ผ่านมาเราก็อยู่กับเกบดักไอตัวนี้แหละ ตัวกาเมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวนี้เป็นตัมิจฉาสังกปะพอมันดัมบิพอมันการคิดการคิดนึกไปในหาการเมยไปเรื่องพยาบาทเอ่ยไปเรื่องการผักแยงในการอยากจะทําลายตัวเป็นตัวเหล่านี้มันก็ส่งไปให้มิจฉาทิฐิทั้งมิจฉาทิถิมิจฉาสังกปะก็มีตัวอะโยนิโสมารสิการนี่แหละเป็นอาหารเป็นตัวปัจจัยเกิดหนุนกระตุ้นเตือนให้มันเกิดใช่ไหมที่ตรงกันข้ามถ้าเราจะมามองถึงในด้านของว่า การที่เราจะมีโยนิสโสมนสิการเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยเข้าใจสิ่งต่างๆ ต, ต, ตามความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเห็นสิ่งต่างๆความตามความเป็นจริงมันก็มีสัมมาสังปะก็คือความดําริความนึกคิดก็คือการตั้งทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องไม่เอ็งเอียงไม่ไม่เอ็นเอียงยึดติดไม่ผักแยง้งไม่เป็นปฏิปักษ์เมื่อมีความดําริคิดนึกที่เป็นอิสระ อิสระนะจากความชอบใจและไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้แนละ้วมันก็จะทําให้มองเห็นสิ่ ง, งต่างต่างๆทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ถ้าเรามันจะส่งเสริมให้สัมมาทิฏฐิเพิ่มพูนยิ่งมากยิ่งขึ้นเราเวลาเรามองสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นไม่ชอบก็ชังทันทีเลยนะแต่ถ้าเราดึงความรู้สึกของเราออกมาเช่นถ้าเราเห็นว่า ลูกกับพ่อใช่ไหมกำลังขัดแย้งกันอยู่โยแหมงก็ดึงดึงความรู้สึกออกมาดึงความรู้สึ ก, ออกมาเฮ้ยอันนี่ลูกเราไอ้นี่สามีเราไม่ไม่ไปดึงอย่างนั้นนะดึงความรู้สึกออกมาว่ากําลังเห็นกระแสชีวิตสองกระแสชีวิตในกำลังมีการกระทบกระทังกันอยู่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเออเราจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามตามความเป็นจริงแบบปลอดโปรงแบบโลง่งโดยชนิดที่ไม่เอาตอนเองเข้าไปผูกยึดว่าเอ้ยเรารักคนนี้มากรักคนนี้น้อยแล้ว เริ่มามาวิจัยแยกแยะแล้วก็มาดำริเนยมาดาริให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่เอาตนเองเข้าไปผูกพันว่าเอ้ยด่าลูกเราให้ลูกด่าสา ม, มีเราถ้าดึงออกตัวออกมาอย่างนี้พอจะไปไหวไหมพอจะไปยงสัมม า, ส, มาสังกัปปะได้ใช่ไหมทีนี้ตัวเนี้หนึ่งความชอบใจและไม่ชอบใจไม่เกิด แล้วก็เริ่มมาพิจารณาว่าเราก็จะไม่มีอคติต่อสิ่งนั้นทีนี้พอดําบิในลักษณะงี้ก็เริ่มจะดําบิถูกต้องแล้วทีนี้โดยมีโยนิโสมรัิการมาเริ่มมาวิจัยแยกแยะให้สิ่งทั้งหลายนะมองตามเหตุปัจจัยที่กำลังเป็นอยู่มันจะเริ่มเริ่มเห็นแล้วอ๋อเนี่ยโทนนิสัยของสามีเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นงไงทัศนคติมุมมองเป็นยังไง โทนนิสัยอุปนิสัยของโลกเป็นยังไงทัศนคติมุมมองเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาแล้วเริ่มมองตามเหตุปัจจัยมีเหตุการณ์ที่เกิดการกระทบกระทั่งกันนี้เป็นเพราะอะไร <c oughs> โดยชนตนที่เราไม่เราไม่เกี่ยวเราไม่เข้ า, าตัวเองเข้าไปผูกพันด้วยก็เริ่มจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็เริ่มวิจัยตามเหตุตามผลตามเหตุต า, ห ต, ต, าห ต, ตามผลไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเลยรทนี้นี่กําลังโยที่สมณิสิการที่นี่สัมมาสังกปะ มีได้อาหารจากโยนิสโสมนสิการก็เป็นสมาสมาธิธิก็ได้กำลังของโยนิสโสมนัสการก็เริ่มพิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงพอจะไหวไหมอ้าวแต่นี้มันก็จะกลายเป็นกลุ่มเนคขมะไอตัวตัวดูตัวนี้ก่อนนะเนคขมะสังกปะหรือเนคขมะวิตกเนี่ยความดําริที่ปลอดจากโลภะปลอดก็คือปราศจากโลภะเห็นไ ม, ไม่ไม่ชอบใจ ความคิดนึกที่ปลอดโปร่งจากกรมไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งที่สนองความอยากต่างๆความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่เป็นเสียสลและความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างจัดเป็นความคิดที่ปราศจากราคะปราศจากโลภะเอาอย่างความคิดอยากจะให้เนี่ยเป็นเดชมไหมอยากจะสละอยากจะให้อยากจะแบ่งปันเป็นเดชมไหม เป็นนะความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวอยากจะสละเก้าอี้ให้อยากจะหาของดีๆให้คนอื่นอยากจะให้ความรู้อยากจะแนะนําทั้งหลายเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวถึงแม้ตนเองจะเหน็ดเหนื่อยยังไงตนเองจะลําบากยังไงก็กล้าเสียสละในการที่จะให้คนอื่นประสบความสุขทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย <c oughs> ความคิดนึกที่โปร่งปลอดโปร่งจากการไม่หมกมุ่นติดข้องว่าเออเราจะลําบากถ้าเราทําอย่างนี้เราจะลําบากนะเราให้อย่างนี้เราจะลําบากนะ ถ้าเราพูดอย่างนี้ไปเราจะลําบากนะเราปฏิบัติอย่างนี้ตัวเราจะลําบากไอ้ความเห็นแก่ตัวตรงนี้มันถูกสละไป ใ, ใช่ไหมเหมือนกรณีที่มีลูกเนี่ยตัวเด็กๆ เ, เ, เนี่ยเขาร้องไห้เวลาไหนเราก็ไม่ลําบากใจเนี่ยเนี่ยเราพร้อมที่จะลุกแล้วก็จะดูแลเขาได้ตลอดเนี่ยไม่ใช่พี่กุ้เอ้ยฉันก็อยากจะนอนกันเนียความเห็นแก่ตัวตรงเนี้น้อยคนที่มีกามัววิตกเยอะๆ เ, เนี่ยจะตอบสนองความต้องการของตนเองตลอด ฉันอยากดื่มน้ำไม่เคยคิดว่าคนอื่นอยากจะกินนะเอาตอนเองเป็นตัวตั้งก่อนฉันอยากจะได้เสื้อผ้าฉันอยากจะนอนฉันอยากจะได้บรรยากาศดีๆคือคือความเสียสละตรงนี้จะจะน้อยเราเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเนคขม้าหรือกลุ่มกาเมวิตกเยอะกามวิตกกับเนกขมาวิตกฮยกลุ่มไหนเยอะกว่ากันคนส่วนใหญ่อย่าว่าเราเลยคนส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะอึอดอัดกัน พูดอย่างนี้ก่อนให้ให้การรมวิตกเขาคลายตัวก่อนเดี๋ยวก็จะได้สบายใจพอการรมวิตกสบายใจแล้วเออไม่ใช่เราแ ล, แล้คนอื่นก็เยอะไ ป, ไปมากับเราเป็นคนหมู่มากไม่ใช่หมู่น้อยหรอกมันพิพุทธธรรมะเก่งใจบุคคลดีไหมเอาพูดไปตามธรรมมากดีกว่าดีไหมพูดไปตามธรรมมากเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างนะ เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างนี่จัดเป็นเนคขมะสังกัปพะมันเยอะหมดเลยถ้ายกประเด็นไหนใช่ไหมปัดกวาดเช็ดถูทำกิจกรรมต่างๆวิวอยู่ที่บ้านเป็นคนมีเนคขมะเยอะหรือกามะสังกัปะเยอะก็สังเกตดูนะว่าเออพอแม่พอพ่อจะทำอะไรไม่เราอยากจะทำให้ทั้งหมดน้อมจะทำให้เหนื่อยก็ไม่เป็นไร กลับมาจากเรียนหนังสือมา เ, เสร็จเสโหนเห็นแม่เหนื่อยนิดแม่แม่นั่งพักหน่อยได้ไหมแม่ทําให้หนูมานาะนแล้วหนูเขาทําให้แม่บ้าง <c oughs> จะมีความรู้สึกอย่างนั้นนืขนขวายตลอดแล้วมีความสุขในการทํามันปลอดโปร่งมันโล่ง ม, มันเบามากความคิดแบบเนี้ยอาลูกเพิ่งเรียนเหนื่อยมาไม่เป็นไรหรอกไหมตอนหนูเด็กๆกับหนูแม่เหนื่อยกับหนูหนหนหนหนมาเยอะมากเรื่องแคนนี่เป็นเรื่องกระจอกมากนิดน้อยเลยวางเป็นแบบนี้มไหมรู้สึกเห็นงานเห็นอะไรต่าง นั่ค oh, ันไม้คันมือไปหมดเยอะแยะเป็นเงี้ยไหมเห็นวะบอกว่แม่ทําไปได้หนูเหนื่อยแล้วเขานอนต่อเออคนถ้าใครถ้ามีเด็กคนไหนที่มีเนคขมัสังกะปะเยอะๆเนี่ยเราจะมีความสุขเออเวลาอยู่กับพานเนนเหมือนกันนะเวลาอยู่กับพานเนนตรงไหนที่มีเนคขมัสังกปะเยอะๆโอ้โหมีความสุข ตื่นขึ้นมาเนี่ยห้องสะอาดคลิปจัดเูยเขาเขาทําค่อนข้างดีๆมากเลยจัดข้อว่าทําอะไรต่างๆสะอาดเยี่ยมมากห้องน้ําสะอาดนที่นั่งที่อะไรทั้งสะอาดที่มาทั้งหลายเรื่อนี้ก็จัดหมดเลยนะเเวลาไหนมาจัดเราก็มองเห็นแต่คนที่มีกามาสังกปะเยอะๆกันลอกลุ้งลังเลยเพราะเราตัวเองเป็นตัวตั้งมาเห็นแค่ตัวใช่ไหม ไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวคําเนี้ยมันคงจะเข้าใจนะไม่รู้จะใช้อธิบายยังไงใช้คําว่าเห็นแก่ตัวนี่ชัดเลยแล้วก็ไปแยกแยะเอาในรายละเอียดเนี่นั้นถ้าใครมีเนกขมภาษังกปะปเยอะๆในกุศลทุกอย่างเป็นคน ข, นขวนขวายในการที่จะไม่เห็นแก่เน็จแก่เหนื่อยทํากิจกรรมต่างๆถ้าใครได้พี่ได้น้องได้ใครทั้งหลายเหล่านี้เป็นคนมีเนกขมเนี่โอ้มีความสุขไปไปมาเราก็รู้โอ้โหทไมเป็นคนแบบนี้ น, นันานาจะเจอสักทีเนี่ยถ้าไปเจอ มานั่งเฉยคนคนที่มีเนคขมมะสังกปะในยอยู่ที่ไหนไม่ค่อยเฉยเนยีทำกิจกรรมมองความรู้สึกของคนอื่นตลอดอยากจะทำอะไรให้เขาเลยจะเป็นรักกันถ้าเป็นอพยาบาทสังกปะหรืออพยาบาทวิโตความดำดิ่ที่ไม่มีความเครียดแค้นจริงจั ง, จงขัดเคืองไม่เพ่งมองในแง่ร้า ย, ายต่างๆโดยเฉพาะมุกเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามคือเมตตานี่แหละ ก็หมายถึงความปรารถนาดีความมีเมตติต้องการให้คนอื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเวลาเราอยู่กับใครเนี่ยขัดเคืองบ่อยไหมความสึก ข, ขัดเคืองไอ้ตรงนี้แสดงว่าพยาบาทสังกัปปมีกําลังถ้าอัพยาบาทสังกปะมีกําลังนี่นะเป็นคนที่ไม่ขัดเคืองไม่ขัดเคืองทีนี้การที่จะไม่ขัดเคืองได้เนี่ยมันจะต้องมีความมีโยนิโสใช่ไหมมีกําลังใช่ไหมก็คือ ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นโอการอยู่กับคนเยอะๆนี่ลาบากนะมันจะต้องเข้าใจเขาคนเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอยู่ห้าคนก็ต้องเข้าใจอกห้าคนที่มันอยู่เข้าใจโทนนิสัยอุปนิสัยมุมมองทัศนคติหลักการข้อปฏิบัติของคนหล่า น, นั้นคือเข้าใจนี่ลำดับแรกๆเลยก็คือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก่อนมันถึงจะเมตตาเขาได้ถ้างั้นมันจะขัดเคืองเลยนะ เพราะใจเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้ในใช่ไหมแต่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก่อนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเข้าไปแก้ไขนะอันดับแรกเลยเนี่ยพอขั้นในแก้ไขต้องพัฒนาต่อต้องมีปัญญาเยอะใช่ไหมต้องมีความสามารถถึงเนี่ยถึงจะแก้ไขมนุษย์ได้เนี่ยไอ้แค่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยยากแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยขั้นแค่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้เพราะเราเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่ยอมจำนนเพราะเราคิดไม่ออก คิดไม่ออกมันขัดเคืองอยู่ในใจแต่มันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เคยเป็นไหมทำไมเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยไปๆมาๆ ม, มันก็จำเจซ้สำซากจำเจซ้สำซากก็เลยยอมจำนนมันไปมันแก้ไม่ได้แล้วว่างั้นแต่มันขัดเคืองอยู่ลึกๆไหมไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าอภิยาบาสังกป่าเนี่ยแปลว่ามีเมตากับเขามีความเมาตติกับเขาแล้วก็ยังปราถนาเขามีสุข นี่เป็นงี้ส่วนอวิหิงสาสังฆปาก็คือว่าความดำริที่ไม่มีการเบียดเบียนหรือการคิดทำร้ายโดยมุ่งเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คือกรุณาปราถนาให้เขาพ้นจากทุกข์สรุปแล้วตรงนี้แหละพระพุทธเจ้ากล่าวเขาไว้ว่าการมาวิตตกย่อมเกิดขึ้นแกเราผู้ไม่ประมาทภาคเพียรมีจิต ท, ที่มุ่งมั่นอยู่อย่างนี้ว่า เราก็ทราบชัดว่าการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราแต่การมาวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไปเนี่ย ค, คิดไหมเวลาการมาวิตกเกิดขึ้นเน่ยเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนจริงไหมเวลาอากุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดความกำหนัดยินดีเบียดเบียนตนจริงไหมเกิดพยาบาทขัดเคืองก็เบียดเบียนตนคิดประทินร้ายผักดันให้คนอื่นเขาเสียหายหรือต้องการทำลายเขาต้องการเบียดเบียนเขาต้องการกำจัดเขาก็เบียดเบียนตน เนี่ยความคิดแบบนี้มันจัดการตัวเองก่อนไอ้บาปนี่เกิดขึ้นในใจตัวเราเองก่อนจริงไม่จริงนี่ประการที่หนึ่งและก็ท่านคิดแล้วนะท่านใช้โยนิโสมนัสิการคิดแล้วประการต่อมาคือเบียดเบียนคนอื่นด้วยนั่นในขณะที่เกิดการมวิตกก็ดีพยาบาทวิตกก็ดีวิหิงสาวิตกก็ดีเกิดขึ้นเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นถามว่าเวลาเกิดการมวิตกเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นยังไง เราจะอธิบายชัดๆที่ว่าเวลาการไม่ตกเกิดขึ้นเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นยังไงวิวเวลาเกิดการไม่ตกเบียดเบียนคนอื่นยังไงเบียดเบียนตัวเองนี่ชัดอยู่แล้วใช่ไหมทำให้เร่าร้อนทําให้จิตใจคับข้องทําให้จิตไม่ปโปรง่งไม่โล่งไม่เบาไม่มีความสุขในขณะนั้นติดขัดขัดข้องเห็นแก่ตัวแล้วเบียดเบียนคนอื่นยังไงเอาอย่างสมมติหนูนั่งอยู่ใช่ไหม น, นั่งบนรถไฟฟ้า คนแก่ลุกขึ้นมาไม่สนพอ <c oughs> เราเห็นแก่ตัวเรามีใจที่นั่งดีเป็นกรามรมวยตกไหมเป็นกามวยตกใช่ไหมเรานั่งสบายแล้วไม่ลุกหรอกไม่สลัไม่สลักเบียดเบีย น, ย น, ยนคนอื่นได้ไหมแทนที่เขาจะได้สะดวกสบายเขาแก่แล้วเรายังเป็นสาวอยู่เลยเป็นหนุ่มอยู่เลยเนี่ยเบียดเบีย น, ย น, ยนไหม หัดยืนนานๆจะบ้างก็ดียังไม่คิดอย่กันอยู่นะจะได้ออกกําลังกายว่าไง น, นนะคิดอะไรเห็นไหมมันคิดเบียดเบียนคนอื่นได้เยอะหมดแหละใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นเนกขมาวิตกปุ๊บหนูก็ลุกขึ้นมายายลุงเชิญ น, นั่งนี่ายายอายุมากแล้วลุงอายุมากแล้วหนูยังแข็งแรงหนูมีความสุข <c oughs> เดี๋ยวพยาบาลวิตกหนูเกิดนะ <c oughs> หนูเป็นคนมีเงื่อนไขมากนะเมื่อหนูสละแล้วหนูก็ไปกำกับแล้วก็บล็อกอีกว่าจะต้องให้คนอื่นทำตามใจหนูหนูเป็นคนแบบนี้ <c oughs> อันนี้พยาบาลวิตกเขา <c oughs> ห้ามห้ามเราลุกเนะี่ยทำข้อวัดของเราแล้วทำกาการปฏิบัติที่ถูกส่วนเธอจะนั่งหรือไม่นั่งก็ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่นั่งก็ก็ดูอ๋อไม่มีใครนั่งแล้วก็นั่งต่อดาดีไหม เนี่ยลักษณะนีเ้เนี่ยค่ะมาวิตตเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเวลาทําอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องการให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามใจที่เราอยากให้มันเป็นถ้่คุณต้องนั่งนะแต่คุณไม่นั่งฉันจะโกรธต่อแบบนี้ยต้องระวังเราจะมีกิเลสซ้ําซ้อนตอนนี้เยอะมาก <c oughs> เป็นเยอะไหมแบบเนี้ยเหมือนเราจอดปุ๊บเพื่อจะให้คนข้ามถนนไอ้นั้นก็เก๊กงังไม่ข้ามสักทีเนี่ไม่ยอมข้ามสทัทียังไปโกรธเขาอีกก็คุณจอดแล้วอ่ะ คุณก็ได้แล้วได้เนคขมมะด้วยใช่ไหมคุณก็ต้องฝึกอภยาบาศด้วยแล้วก็ฝึกอวิหิงสาด้วยคุณจะต้องไม่โกรธเขาแล้วไม่คิดเบียดเบียนเขาเขาอาจจะเดินหรือไม่เดินจะช้าอะไรต่างก็ไม่เป็นไรยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแป็นตันเป็นเปกระท่งแกรแตกใหญ่ใหญ่จริงๆไหมมองเห็นหรือยังเนี่ยนี่ชีวิตจริงๆตรงเนี้ยเราก็จะเจอไอ้อกุศลเหล่านี้เล่นงานอยู่ตลอดเวลาเลย สรุปแล้วก็คือเราจะต้องฉลาดในในวิตกเหล่านี้แยกเลยนะการไม่วิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนส่วนรวมนี่นแหละขัดขวางปัญญาไหมการมวิตกขัดขวางปัญญาไหมพยาบาทวิตกขัดขวางปัญญาไหมวิหิงสาวิตกขัดขวางปัญญาไหมขัดขวางทําให้ลําบากใช่ไหม เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายขัดขวางทำปัญญาทําให้ลําบากไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่ต้องท่องเอาไว้เลยตรงเนี้ยเนียพรท่องโอ้กว่าจะรู้เรื่องนี้ได้นี่หนึ่งเบียดเบียนตนเองสองเบียดเบียนคนอื่นสามเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสี่ขัดขวางปัญญา ห้าทำให้ลําบากลําบากไหมใจเป็นทุกข์ลาบากเครียดแ้นพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านพฤติกรรมนี่ลําบากหมดแล้วไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็เรารเราเป็นเราปรารถนาอะไรเนี่ยปรารถนาพ้นทุกข์บางทีเราไว้ทษเพราะไอ้นี้นี่แหละขวางไิพผ่านฉันเนี่ยเนี่ยก็คิดอย่างนีเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้อา้าถ้าใครพิจารณาเห็นว่าการมวิตกเนี่ย เบียดเบียนตนการมวิตกเบียดเบียนคนอื่นการมวิตกเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการมวิตกเนี่ยขัดขวางปัญญาการมวิตกทําให้ลําบากการมวิตกไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บบรรเทาได้หรือไม่ได้งั้นเอาไปคิดต่ออย่างนี้นะทุกอย่างเวลาเกิดขึ้นแม้พยาบาทเกิดขึ้นปุ๊บเวลาหงุ ด, งดงหงิดฝนตกฟ้าร้องหงุดหงิดเพื่อนหงุดหงิดใครก็แล้วแต่บอกว่าเบรรยีบรรยดเบรรยียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบรรยียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมขัดขวางปัญญาทําให้ลําบากไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรม ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพอคิดอย่างนี้ปุ๊บพยาบาทที่ตกหายไหมโอ้โหขนาดมีหลักการคิดขนาดนี้ยังไม่ยอมหยุดอีก <c oughs> วิหิงสาววิตกเคยคิดเบียดเบียนตั้งแต่เกิดมาเป็นคนได้คิดเบียดเบียนคนอื่นไหมคิด <c oughs> มุ่งคิดมุ่งทำร้ายเขาเคยไหมไม่เคยเลยหรือทำอยังไงนะมันรู้น้อยกว่าเราเ ค, เคยคิดไหมเอ๊ะฉันคิดบ่อยจังตอนเป็นเด็ก ฉันคิดนึงเวลาเป็นน่ะก็กอย่างนี้บ า, นะางทีเราไปนั่งเรียนหนังสือแล้วเราเรารู้หมดในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ฉลาดใช่ไห <c oughs> ลำคานมันมาก <c oughs> ลำคา <c oughs> คือคือคือในห้องในทุกคนก็จะมาเอามามาให้เราช่วยตลอดน่าเบื่อไ ห, <c oughs> หน่าเบื่อมาก ในห้องนั้นโอ้โหมองไปแต่ละคนเนี่ไม่มีใครฉลาดเลยเนี่ยเคยเคยเคยไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไหมกเ็เลยลําำบากมาก็ต้องช่วยต้องอะไรโอ๊ยลาบากระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายช่วยได้สะดวกใจกว่าผู้หญิงไม่ได้เลยเฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งเรียนกับผู้หญิงฉันเป็นคนชันเี้แกล้งคนมีนิสัยเสียฉันเนี่ยบางทีเห็นก็นั่งอยากแกล้งนิดๆ โอ้แก้งมันหน่อยพ้องแต่ครูแล้วก็โดนตีเนี่ยบางทีเด็กบางคนเนี่ยเขาหนังยางรัดรัดมันไม่อยากยุ่งกับใครใครนัง่งเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยเนะี่ยลัดผมมานัง่งางทีไอ้ตัวยางลบวางกันไปนิดหน่อยเราจะขอยืมไว้นหน่อยโอ้โหยมันหัวงโกของนิดหน่อยขอยับขยื่ยนของนิดหน่อยมันเป็นเรื่องเลยนะผู้หญิงบางคน เราเนี่ยโอ้โราค้านอยากจะแก mm ้งมันคือคนบางคนเวล nah าเห็นหน้าแล้วอยากแก้งอ่ะเราก็ไม่รู้แต่ก่อนทําไมหน้าอยากแก้งกรรมมันทํามาไม่ดีในจริงๆนะเนีเป็นคนทําปณิธานทำใบเบียดเบียนสัตว์มาเยอะถ้าเห็นหน้าป๊อปเราอยากจะแก้งเคยเป็นไหมฉันก็เลยไปถามไปถามเพื่อนถามว่าเอ็งเป็นหรือเปล่าวะอยากจะแก้งเพ็น โอ้ไม่ใช่เฉพาะเราแล้เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าว่านีพวกนี้เบียดเบียนสัตว์มาเยอะแล้วก็ถ้าไปทําให้ก็าร้องไห้นี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่อง เ, เนี่ยพยาบาทวิทเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยถ้าพิจารณานะถ้าใครพิจารณาอย่างนี้ยจะดับศูญย์หายวูบไปเลยมันจะบรรเทาการมวิตกพยาบาทวิตกนี้ ที่เกิดขึ้นบ่อยให้หมดไปสิ้นไปได้ถ้าคิดพิจารณาอย่างนี้เนี่ยแต่โดยมากเวลาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราจะลืมสูตรของพระพุทธเจ้าหมดเลยไม่เคยคิดอย่างนี้เลยเป็นเป็นโทนนิสัยเดิมๆที่เราเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดสังเกตไหมเคยไหมว่าถ้าเกิดความกําหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความคิดมุ่งทําร้ายขึ้นมาเนี่ยปุ๊บขึ้นมาก็นึกว่าเฮ้ยการไวต่อเกิด ข, ขึ้นกับเราแล้วเบียดเบียนตนนะ เบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็ขัดขวางปัญญานะทำให้เราประสบความทุกข์มากเครียดแค้นมากแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะเคยคิดได้อย่างงี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บจะหยุดไหมมันดับหายไปเลยแหละนั้นหมันคิดบ่อยๆเนี่ยพิธีการอย่างงี้นะนั้นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้แหละท่นถึงดับนะท่านถึงดับได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอก ว, ว่าภิกษุเนี่ย อุบาสกบาศิกาเนะี่ยยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็จะมีใจน้อมไปใ น, ในวิตกนั้นนั้นมากๆจริงไม่จริงถ้าไปให้อาหารให้เหตุปัจจัยคิดถึงการมวิตกมากๆถ้าคิดไปในการมวิตกมากๆนะไอตัวเช่น ดัมบิในเรื่องการความคิดในทางที่จะสแสวงหาหมกมุ่นติดพันอยู่ในกา ม, มากๆต้องการหาสิ่งต่างๆมาบำเรอตาหูวจมูกเล้นกายตนเองมากๆต้องการสนองตันหาให้เกิดความยึดมั่นติดมั่นเห็นแก่ตัวความคิดที่ฝ่ายราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินมากๆตรึกอย่างนี้มากๆมากๆมาก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆก็จะชำนาญในกาไม่ตก ถ้าดัมบลที่ประกอบไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังหงุดหงิดโกรธคิดปฏิทุสลายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเราก็จะชำนาญในตัวพยาบาทวิตกถ้าคิดมุ่งทําลายคิดให้คนอื่นวิบัติคิดให้คนอื่นมีอันเป็นไปมากๆเราก็จะเป็นผู้ชํานาญในพยาบาทวิตกพ ร, ระเจ้าบอกคิด เ, เมื่อเรายิ่งคิดยิ่งน้อมใจของตนเองเนี่ยไปหาวิตกใดมากๆวิตกนั้นก็จะมีกําลัง เมื่อเธอน้อมถึงกาลมาวิตกมากๆเธอก็จะทิ้งเนคขาวิตกเมื่อเธอน้อมก็หาพยาบาทวิตกมากๆเธอก็จะทิ้งเมตตาถ้าเธอน้อมไปวิหิงสาวิตกมากๆเธอก็จะทิ้งกรุณาแล้วเธอก็จะชํานาญในการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกการมวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกก็จะเป็นอัธยาสัยเป็นเนื้อเป็นตัวของเธอขึ้นมาทันทีเลยจริงไม่จริงเนี่ยท่านท่านไปพิจารณาปุ๊บเนี่ยท่านเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้ จิตก็จะน้อมไปในการมาวิตกพยาบาทวิตกยิงสาวิตกในสาราทการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเพราะว่าในในสารทักฤดเดือนศาสตร์ในสาราทการสาราทการก็คือเดือนไหนอ่ะท้ายฤดูฝนเดือนสิบใช่ไหมนี่นแหละคนเลี้ยงโค ต้องคอยระวังโคในที่ที่มีข้าวก้าหนานแน่นช่วงนั้นนะข้าวกําลังจะออกใช่ไหมเขาต้องใช้ไม้ตีต้อนโคไปจากที่นั้นๆคอยกั้นไว้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นการฆ่าถูกจองจําเสียทรัพย์ถูกติเตียนเพราะการกินข้าวกล้าเป็นเหตุแม้ชั้นใดเราก็ฉั น, นั้นเราเห็นโทษเห็นความเลวทรามเห็นความเศร้าหมองของอกุศลและอนิสงฆ์ในการ ออกจากกรามว่าเป็นฝ่ายผ่องแผ้วของกุศลนั้นท่าเห็นโทษนะว่ากรณีที่คนเลี้ยงโคเนี่ยถ้าไม่คอยดูโคตัวเองนะก้าวจะถูกฆ่าโคถูกโดนฆ่าถูกจองจำหรือบางทีก็ต้องเสียทรัพย์ถูกตีเตียนเพราะการที่โคไปกินข้าวกล้าของคนอื่นชั้นใดนี่มอนกันท่านเห็นโทษของการที่ถ้าปล่อยให้กามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกในเกิดขึ้นน่ มันจะเสียหายมันจะเจ็บปวดแล้วก็มันจะขัดขวางปัญญาเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานท่านขอเห็นความเสียหายตรงนั้นและท่านเห็นความปลอดโปรง่งถ้าหากเจริญเนกขม่าวิตกอภยาบาทวิตกเอาหญิงสาวิตกแล้วเนี่ยท่านเห็นความปลอดโปร่งอย่างนั้นเออมองอย่างเงี้ยก็หมายความว่าท่านบอกว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทภาคเพียรมีจิตมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้ เราก็ทราบชัดบอกว่าเนคขมมะวิตกอภยบาศวิตกอาหิงสาวิตกในเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เนคขมมะอภยบาศวิหิงสาวิย่อมเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าเราคิดในเรื่องของเนคขมมะวิตกอภยบาศวิตกนะคิดอยู่เนี่ยการคิดที่ปลอดจากโลภะเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราคิดถึงเนคขมมะคิดถึงเมตตาน้อมไปในกรุณาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ยิ่งคิดมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองวะและพัฒนาปัญญาด้วยเห็นไหมคนที่มีเนกขม้าวิตกมากๆอภัยาบาศวิตตกเอออวิหิงสาวิตตกเลยเนี่ยถ้าคิดเรื่องนี้มากๆมากๆแล้วพัฒนาปัญญาเลยมันส่งเสริมกันย่อส่งเสริมสมาธิถีเนี่ยยิ่งดําริในการที่จะออกจากกามดําริในเรื่องเมตตาดัมบิในเรื่องกรุณาดําริมากๆมากๆมากๆมันจะพัฒนาปัญญาส่งเสริมปัญญา ไม่ทําให้ลําบากและเป็นไปเพื่อพระนิพพานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและพัฒนาปัญญาแล้วก็ไม่ทําให้ตนเองลําบากทําให้ประสบความสุขสมานัตด้วยแล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานโหน้าคิดไหมล่ะเออการพัฒนาปัญญาไม่ยากเลยนะเพียงเราจะเลิญเนกขมมะวิตกอภยาบาศวิตกอวิงสาวิตกบ่อย เจริญบ่อยๆไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองใจส่งเสริมปัญญาทํา o, ทให้สมาทิฏิ thi, มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ลําบากเป็นไปเพื่อพระนิพพานและท่านบอกถ้าเราตึกตองเนคขมะ ว, ตตาาวิตกตลอดอัพยบาศวิตกตลอดเอาวิงสาวิตกตลอดทั้งคืนทั้งวันตลอดทั้งคืนทั้งวันนะเราก็ไม่เห็นภัยที่เกิดจากการตรึกตองนั้นเลยไม่เห็นภัยเลย เอายิ่ ง, งคิดเนคคำมะอภิาบาตเอาวิ่งสาเนี่ยเป็นอันตรายไหมเป็นโทษไหมเป็นไม่เป็นท่านบอกว่าแต่เมื่อเราตรึกตองนานเกินไปเป็นยังไงร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยทำไมถึงเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตฟุง้งไหมจิตก็ฟุง้งซ่านเมื่อจิตฟุง้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้น เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านทำยังไงท่านฝึกต่อเรานั้นก็ตั้งจิตไว้ภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราปรารถนาว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยวิธีการคืออย่างนี้เวลาเราไปเดินเนคขมาวิตกอภัยาบาตนะแล้วก็เดินเมตตาเดินกรุณาหรือเดินจิตที่น้อมออกจากกามมากมากมาก เดินขึ้นในขณะนั้นเหมือนเรากำลังเปิดประตูออกไปไปสู้รบเหมือนเปิดประตูเมืองเปิดประตูเมืองมันมีประตูเมืองกั้นอยู่อย่างนี้นะล้วก็เปิดประตูแล้วออกไปเลยไปสู้รบไปสู้รบกับศัตรูที่สู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาเนี่ยมันชนะไม่ได้ทำไมถึงชนะไม่ได้เพราะกำลังมันไม่พอกำลังของกำลังของ กำลังของปัญญาไม่พอกําลังของเนคขม้าไม่พอกําลังของไอเมตตาไม่มีกําลังพอกําลังของกรุณาไม่มีกําลังพอพอยิ่งคิดมากขึ้นเลยมากขึ้นไปมากขึ้นไปเนี่ยนะเขานะเขาร่างกายมันล้าจิตมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้ววิธีการทํำยังไงกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาปุ๊บก็มากินอาหารมาพักผ่อนใช่ไหมอันนั้นหมายถึงการลบจริงๆนะแต่ในข้อเท็จจริงของเราทํำยังไง ไม่ใช่โอ้ตอนนี้เราคิดมากไปแล้วจากนั้นเลยลงนอนกว่าไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, ะาการหปฏิบัติเนี่ยเขาให้มานั่งทําจิตให้เป็นสมาธิให้สงบเพราะาเราล้าจากการตรึกล้าจากการคิดล้าจากการวิจัยล้าจากการใช้ปัญญาปุ๊บก็มาอยู่ในท่าที่สงบอาจจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี้ยให้จิตสงบดูลมหายใจสมมติให้จิตตั้งมันให้ให้เข้าสมาธิพอจิตได้สมาธิสงบแล้ว ตั้งมั่นดีแล้วพอหลังจากมีพลังแล้วจิตตั้งมั่นจิตไม่มีโทษจิตไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตไม่มีโรคจิตเป็นสมาธิจิตปิดเป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปกับยานปัญญาตั้งมั่นแล้วออกจากสมาธิแล้วก็ไปตรึกต่อไปวิจัยต่อไปวิจัยเนคขม่วิตกต่ออัปยาบาดวิตกต่ออวิหิงสาวิตกต่อเพื่อทําลายธรรมะตรงกันข้ามต่อเขาทําอย่างนี้นะวิธีปฏิบัตินะ ได้หลักปฏิบัติได้ยังนี่ก็ทําลักษณะแบบนี้ทีนี้พิกษุยิ่งตึกตรองวิตกใดมากๆเธอก็จะมีใจน้อมไปในวิตกนั้นถ้าภิกษุยิ่งตึกตรองเนคขมะวิตกอภยบาทวิตกอวิงสาวิตกเธอก็จะละการมวิตกพยาบาทวิตกอวิงสาวิตกได้กระทาเนคขมะวิตกอภยบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนั้นให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมะอภยบาทและอวิงสา นี่เป็นอย่างนี้ในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดถูกนําไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคไว้เมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องระวังอยู่เสมอว่านั่นฝูงโคของเราแม้ฉั้นใดเราก็ฉันนั้นต้องทําสติอยู่เสมอว่าเรานี้ เหล่านี้เป็นธรรมของกุศลวิตกก็คือมีสติกำกับอยู่เสมอถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นฤดูแล้งแล้วเขาเก็บข้าวกล้าบทแล้วเราเอาโคลไปไว้ใต้ต้นไม้ก็ดีไปไว้หนะ้าที่หนองน้ําที่ไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังต้องมีจิตคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้นกุศลเราอยู่เนีเราถึงแม้ไม่ต้องระมัดระวังมากแต่ก็ต้องมีสติกำกับกุศลอยู่เหมือนกับกรณีที่เราตึกนี่นะ กุศลวิตก็ใช่มมากมากมากมากตอนนั้นเนี่ยมันล้าแล้วก็กลับมาอยู่กลับมาอยู่ในสมาธิการกลับมาอยู่ในสมาธินั้นก็ต้องดูตลอดเวลาว่ากุศลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ไม่ได้ฝึกที่จะได้กามาวิตกเพื่อเจร ะ, ะพยาบหรอไม่ได้ฝึกเนคขมะเพื่อละกามไม่ได้ฝึกอพยาบาตเพื่อเจร ะ, ะพยาบาทไม่ได้ฝึกเอวิิงสาเพื่อเจละวิหิงสานะแต่ตอนนั้นน่ะก็ทําทจิตให้เป็นสมาธิเข้าใจหรือยอมนงนะให้จิตเป็นสมาธิให้มีพลังให้มีพลัง ให้มีความตั้งมั่นให้เป็นจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นจิตที่ไม่มีโรคเป็นจิตที่ไม่มีโทษเป็นจิตที่เป็นไปนความสุขให้จิตที่ชานฉลาดเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่วิจัยอะไรดิ่งในอารมณ์เดียวเป็นการพักเมื่อพักได้ระยะหนึ่งสมควรแก่เหตุแล้วจึงออกจากสมาธิแล้วก็ไปน้อมไปในเนคขมะต่ออภยาบาตรต่ออวิิงสาต่อนี่คือหลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ คือในขณะที่เราน้อมไปที่เนกกาวิตกนั้นชื่อว่ากำจัดเนกไอกามวิตกเรียบร้อยแล้วปิดทางเดินของเขาเรียบร้อยแล้วก็โดยโดยส่วนใหญ่เอียบวดนั่งจะสะดวกที่สุด คือคือโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าการน้อมเข้ามาอยู่ในสมาธิเนี่ยถ้าโดยโดยแบบประเภทที่แบบชั้นสูงเลยก็คือฝึกให้เข้าปฐมฌานทุติตยฌานตติฌานจดุจฌ า, านนีได้เข้าอยู่ในฌานนี่ได้แล้วเมื่อเข้าอยู่ในฌานพอสมควรแก่เวลาที่จิตมีพลังแล้วก็ใช้ฌานใช้สมาธิเป็นบาตแล้วก็เดินนิพพานาญาณต่อก็คือเดินเนธคัมมะอัพยาบาทเอวยิงสาเพื่อจะไปวิจัย แยกแยะเพื่อจะไปทําปัญญายาณให้เกิดขึ้นทําสมาธิที่เกิดขึ้นทําวิปัสนาสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อกําจัดกิเลสถ้ายังไม่ยังไม่สามารถกําจัดกิเลสได้ก็กลับมาอยู่ในสมาธิต่อแล้วก็ไปทํากิจอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะก็ะว่าไปแต่กิจหน้าที่ของเรามีแค่เนี้ที่พระภัยศาสตร์ท่านทำํำท่านทำอย่างนี้แล้วสุดท้ายท่านก็ได้ตรัสรู้สมาสบาุรีย์ อันนี้เราก็ได้หลักแรกของเราอย่างพื้นฐานสุดๆก็คือได้หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติของเราก็คือว่าเวลาตอนพักนะให้สังเกตด้วยนะท่านบอกว่าเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดยานปัญญานี่อย่างนี้นเห็นไหม จะต้องมีเป็นสมาธิเป็นฐานที่ถ้ามองมองในลักษณ ะ, ะอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดว่าอ๋อาการที่ไปตรึกในเนกข ม, ม่าวิตกอภยาบาตวิตกอวิิงสาวิตกนี่คือท่านเดินปัญญาเนี่ยเองเดินกลุ่มภาวนากุศลเพราะว่าสมาธิทีกับสมาสังฆปานี่ก็เป็นปัจจัยเก่กับการละกันและมีโยนิสโสมานสการมาช่วยด้วยนี่กลุ่มภาวนากุศลถ้ามาอยู่ในสมาธิเห็นไหมมันจะเป็นทางด้านของความรู้สึก ด้านจิตใจด้านจิตใจก็คือมาอยู่ในสมาธิเป็นการพักเพราะมันละยิ่งถ้าเราถ้าเรายิ่งไข้ควรมากขึ้นมากขึ้นในช่วงที่สมาธิเราเริ่มห่างนี่นะจะล้าล้าทันทีคิดได้ไหมเยอะสังเกตดูไหมเราจะน้อมจิตจะน้อมไปในกุศลไม่ค่อยไปแล้วฉะนั้นแปลว่าเหนื่อยจัดแล้วต้องต้องเข้าประตูแล้วปิดประตูล็อกก่อนแล้วแล้วมาพักยินข้าวอาบน้ํานอนนั่นแหละ ลบไม่ได้ตอนนั้นออกรบไม่ได้แปลว่าเรากำลังไม่พอต้องอาบน้ำแล้วพักผ่อนพอได้แกรงเบสเสร็จปุ๊บก็ตีละครั้งต่อเปิดประตูเข้าไปสู้กันต่อ <c oughs> นี่แหละก็ออกจากสมาธิก็ไปเดินปัญญายานี่เกิดขึ้นเดินสมาสังเดินสมาธิถีสมาสังกปะาต่อเมื่อเดินสมาธิถีเดินสมาสังกปะาได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันล้าแล้วจิตมันเริ่มฟุ้งแล้ว เริ่มเริ่มปะสเปสป่าแล้วก็กลับมาอยู่ในสมาธิต่อชีวิตอยู่อย่างเนี้และในส่วนจริงๆก็จะสามารถทําบรญญายห้เกิดขึ้นได้พอมองเห็นหรือยังฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทําวิชชาสามให้เกิดขึ้นหลังจากได้จิตเป็นสมาธิก็ทําปุเพนิวาสารรสติเกิดขึ้นอยู่ตัปปตาตยานเกิดขึ้นแล้วก็อ า, าวะสวัคสักยานเกิดขึ้นที่ส่วนจริงพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นุตราสมาสมบุตริญานเนี่ยเป็นอย่างนี้พอมองเห็นหรือยัง นี่คือสรุปประเด็นในเรื่องของทเทวทาวิตกสูตรอันนี้ได้ขยายไปก่อนหน้านั้นแล้วอประการต่อมาเดี๋ยวพูดถึงวิตตกสันฐานนสูตรต่อนะ่จริงทเทวทาวิตตกสูตรได้เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งใช่อหมอเดี๋ยวไปดูในเทปก่อนหน้านั้นเอาก็แล้วกันทีนี้พูดต่อเลยนี่วิตตกรสันฐานสูตรวิธีละอย่างพวกเราเนี่ยต้องใช้ใช้ตรงนี้แหละน่าจะท่าหัศกัน คือจะน่าจะยากวิธีนี้น่าจะไม่ง่ายสําหรับพวกเราซะแล้วก็คือพระรัชกาพที่เชตาวันอารามของท่านอนาถาพิณิกกาเสษตีใกล้กรุงสวรรถีถ้าใครไปเชตาวันกครนึกถึงสองสูตรนี้เยอะๆว่าอุปการลากับเรามากวิตต์ทเวทาวิตตกก์ตะกศูตกวิตต์ตะ ก, กสันฐานนั่นสุดว่าพระรัจกาแสดงสูตรนี้สองสูตรเนี่ยนะพระรัชกาแสดงให้ภิกษุทั้งหลายแล้วมีผลกระทบถึงพวกเรามานั่งอยู่ที่หูใจใสได้เรียนสองสูตรนี้ด้วยหั <c oughs> ดีเหลือเกิน วิธีกำจัดอากุศลวิตกพิสูุขวนขวายในที่จิตก็คื อ, คอจิตอันยิ่งนะที่จริงในพระสูตรนัต่ตอนนี้เวลาอ่านสูตรเนี้เราจะต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจแล้วก็สรุปประเด็นขึ้นมาถ้าอ่านตามอ่านตามเนื้อไ อ, อ้พ ย, ยัญชนะจริงๆพวกเราก็ลำบากเลยตีนนี้ลำบากทั้งผู้พูดลาบากทั้งพวกเราที่จะให้เกิดความเข้าใจพิสูจเนี่ยขวนขวาย ควนขวายในที่จิตคือจิตที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมบทก็หมายความว่าปรารถนาที่ก็คือสมาบัตแปดอันเป็นบาทของการเจริญวิปัสนาญาณเนี่ยหมายความว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยถามว่าการเจริญกุศลกรรมบทสิบของพวกเราเนี่ยมีปัญหาไหมตอนเนี้ยสมมติแล้วนะสมมติพวกเราไม่มีปัญหาแล้วสมมติเป็นคนคล่องแล้ว เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วในการเดินกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตได้ค่อนข้างชัดเลยพวกเราสมมุติอย่างนี้นะสมมุติยังไม่ชัดก็แล้วแต่แต่สมมุติเราชัดแล้วแต่เราต้องการพัฒนาให้สูงกว่ากุศลกรรมบทให้ได้กุศลประเภทอธิจิตให้จิตที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมาธิค่อนข้างเด่นชัดขึ้นไปเนี่ยก็คือนิมิต5ประการมีอะไรบ้างบอกว่าพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้ควรใส่ใจนิมิตที่ประกอบไปด้วยกุศล คือควรใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยกุศลเนี่ยวิธีตรึกวิธีคิดเนี่ยข้อแรกคืออะไรก็คือให้ใส่ใจในทานกุศลศีลกุศลสมถะลุวิปัสนาอื่นจากนิมิต ท, ที่ใส่ใจเป็นอารมณ์นั้นแล้วทําให้เกิดวิตกอันเป็นบาปกุศลที่ประกอบไปด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อเธอใส่ใจในนิมิตนั้นแล้วเธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดําลงมั่นโดยแท้เพราะ ละวิตกเหล่านั้นได้ก็หมายความว่าสมมุติมันเกิดการมวิตกเกิดขึ้นนะวิธีแก้แก้ไงให้คิดถึงทานกุศลคิดถึงการให้คิดถึงการสละว่าเราจะสละเราจะให้หรือใครชํานาญในศีลก็คิดถึงศีลใครครับชนานาญพุทธคุณก็พิจารณาพุทธคุณอิติวิโสพระกวาอารหังสัมม า, ส, ม า, าสัมพุทโธวิชาเจรัสัมปโนเนี่ยพิจารณาพิจารณาไปวิตกหายไหมการมวยตกหายไหมยพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกก็าหาย หรือเดินวิปัสนาซะเลยเดินปัญญาญาณวิจัยแยกแยะว่าโกรธอะไรกำหนัดยินดีในอะไรเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยคือถ้าอันนี้อย่างที่หนึ่งวิธีการวิธีการแรกวิธีกําจัดวิตกวิธีกําจัดการวิตกข้อแรกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก เี๋ถามพวกเรากันว่าในวิตกสามประการในวิตกข้อไหนของเราเกิดบ่อยที่สุดการพยาบาทวิหิงสาการวิตกเกิดใช่ไหมเพราะว่ามันเวลาการวิตกเกิดขึ้นปุ๊บให้คิดถึงอะไรคิดถึงทานกุศลคิดถึงการจาค่าคือการสละการให้ถ้าคิดไม่หายพัฒนาไปคิดศีลถ้าคิดศีลคิดการระลึกถึงการสมาทานศีลการเจริญศีลทั้งจารีตทั้งวาลีที่เราเจริญเนี่ยไม่หายให้คิดถึงพุทธคุณ ทมคุณสังฆคุณว่าไปคิดถึงสมถะถ้าสมถะยังไม่หายอีกคิดอะไรต่อวิปัสนาเลยแต่นี่แยกแยะด้วยความเป็นรูปนามขันห่าว่าไปดังนั้นตามข้อมูลที่มีอยู่นี่ข้อแรกคิดอย่างนี้นะว่าคิดแล้วในวิตกเหล่านั้นก็จะละได้นะอุปมาเหมือนอะไรเนี่ยอุปมาเหมือนนายช่างช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างนายผู้ชํานาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกคอนลิมอันใหญ่ออกเคยเห็นลิ่มยอม่อมนงเคยเห็นลิ่มที่เขา ตอกเน็คเนี่ยเวลาไม้เขาใส่อย่างนี้ก็จะมีริมอันนี้เขาใช้เหล็กใช่ไหมแต่สมัยโบราณก็จะใช้ริ่มเวลาริมเขาตอกอัดเข้าไปเนี่ยเวลาจะเอาออกเนี่ยเขาไปตอกอีกด้านหนึ่งเวลาใช้ริ่มตอกเนี่ยเขาจะต้องใช้ริ่มที่เล็กกว่าเล็กกว่าที่ริมมันสลักอยู่ถึงเนี้ใน่ะใช้ริมมันเล็กน่ะตอกปุ๊บปุ๊บป๊ป๊บันก็จะออกนี่เหมือนกันในกรณีที่จิตระหมกมุ่นในกาลวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอยู่เนี่ยก็ใช้ริม ก็คือใช้สติในการที่จะระลึกถึงทานกุศลศีลกุศลระลึกถึงสมถะลุวิปัสนาเนี่ยในขณะที่เราคิดถึงเรื่องนี้ตรึกในเรื่องนี้ก็คือตรึกในแนคข ม, มะนั่นเองตรึกในการเจริญกรรมฐานตรึกในการเจริญเมตตาเป็นต้นหรือเจริญกรุณาเป็นต้นหรือเจริญพุทธคุณหรือเจริญปัญญาเป็นต้นก็เหมือนเรากาลังตอกตอกไอ้กามวิตกกออกฮะ คือมันเล็กกว่าไอตัวเดิมไงที่อุปมาอย่างนี้ก็คืออุปมาก็คือว่าเหมือนการใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกลิ่มสลักอันใหญ่ออกประเด็นก็คือว่าถ้าใช้ริมใหญ่ตอกมันก็ตอกไม่ออกสิเพราะมันรูมันเล็กก็ต้องใช้ริ่มเล็กกว่าตอกลิ่มมันใหญ่ออกแต่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการอุปมาเพื่อให้เห็นภาพ ทีนี้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นควรใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปได้วยกุศลในขณะที่ใส่ใจต้องให้จิตเป็นกุศลให้ใส่ใจในกุศลระลึกถึงทานเนี่ยไม่ใช่ไประลึกเฉยๆแต่ในขณะที่ระลึกจิตเป็นอ ก, กุศลมันจะไม่ออกเขยายังต้องให้ใจเป็นกุศลก่อนระลึกถึงการให้ทานสละแบ่งปนันมันถึงจะออกต้องให้จิตเป็นกุศลระลึกถึงศีลให้จิตเป็นกุศลระลึกถึงพุทธคุณ เคยระลึกแล้วมันไม่ออกไปแล้วเพราะแทนที่เราจะใช้ริมอันเล็กตอกดันเอาริมมันใหญ่ตอกมันก็ไม่ออกสิก็เลยไปไกลเอาอกุศลไปคิดถึงทานไม่ออกมันไม่ออกไอ้ไอ้กาโมวิตกไม่หลุดนั้นต้องใช้กุศลและจิตนี่แหละเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ลึกถึงการให้การสละการแบ่งปันลึกถึงศีลก็ต้องใช้สติในการที่เป็นไปกับกุศลระลึกระลึก ก็คือมันจะโยกออกเรื่ยแยกออกเลย่ยโยกออกเรื่อยก็เลลึกเลลึ ก, ล ก, ลกบ่อยๆแล้วในสึดก็จะออกบอกว่าความใส่ใจนิมิต ท, ที่ประกอบด้วยกุศลอื่นที่จากนิมิต ท, ที่อาศัยแล้วก็ใส่ใส่ใจทําให้เกิดวิตกอันเป็นบาปกุศลที่ประกอบด้วยฉันทาโทสาและโมห oh ะเมื่อเธอใส่ใจในนิมิตดังกล่าวเธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิจำลองแน่วแน่เพราะวิตกเหล่านั้นได้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่ข้อแล้ว สมมุติว่าถ้าภิกษุใส่ใจหรือพวกเราเนี่ยใส่ใจนะใส่ใจถึงนิมิตอื่นเช่นเป็นนึกถึงทานศีลเป็นต้นแล้วเนี้ยภาวนานะวิตกที่เป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยฉันทะที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะยังเกิดขึ้นอีกมันไม่หายทำไงไม่หายทำไงถ้าไม่หายทำยังไงคือ ทำแล้วแล้วลึกถึงทานกุศลก็แล้วถึงศีลกุศลก็แล้วแล้วลึกถึงสมถะก็แล้วแล้วลึกถึงวิปัสนาก็แล้วไม่หลุดเขาบอกว่าเธอควรพิจารณาโทษของวิตกวิธีพิจารณาโทษของวิตกเนี่ยพิจารณายัางไงพิจารณาโทษของวิตกที่เกิดขึ้นว่าอากุตกอกุศลวิตกเนี่ยมันทําลายความดีมันมีโทษแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นมีทุกข์เป็นวิบากก็คือให้มองว่า ให้พิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นวิตกเหล่านี้เป็นอกุศลมันมีโทษบาปอกุศลที่เกิดขึ้นมันมีทุกเป็นวิบากใช่ไหมตอนนั้นเป็นทุกเลยไหมในขณะที่เกิดขึ้นจิตเป็นโรคจิตมีของสเสียเต็มไปหมดจิตไม่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตที่เป็นไปกับความทุกข์จิตที่ไม่ชารนฉลาดเกิดขึ้นมีมีทุกเป็นผลเมื่อเธอพิจารณาเห็นโทษของวิตกเหล่านั้นก็สามารถละวิตกเหล่านั้นได้วิตกก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นอุปมาเหมือนอะไร เหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวมีผู้นำเอาซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอก็รู้สึกอึดอัดละอาและรังเกียจชันใดพิษูุกับชันนั้นให้ใส่ใจนิมิตอื่นที่ประกอบไปได้วยกุศลจากนิมิตนั้นวิตตกอันเป็นบาปกับกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยยังเกิดขึ้นอีกเธอก็ให้พิจารณาวิตโทษของวิตตกอันนี้ไป พิจารณาตัวเลยนะไปเจาะไปที่ตัวของกามวิโตมันเหมือนซากงูซากสุนักเหมือนซากศพผูกคอมันมีตัวมันเองก็เป็นทุกข์เมื่อเกิดร่วมในจิตใจแล้วมันก็ปรุงแต่งใจใเราเป็นทุกข์เครียดกัดกุ้มใจไม่สะอาดเกิดขึ้นมาใจที่มีของเสียใจที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมันเบียดเบียนตนเองนะเบียดเบียนคนอื่นอย่างที่บอกว่าเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วมันไม่พัฒนาปัญญานั่นแหละไอ้นี่พิจารณาอันเดียวกันนี่แหละ มันประกอบไปได้โทษไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานในตรงนี้เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีทุกเป็นวิบากเป็นผลเนี่ยอุปมาเหมือนสเตรยหรือบุรุษชอบแต่งตัวแต่ถ้ามีใครเอาซากสุนัขเน่าซากงูหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอเนี่ยมันอึดอัดถ้าเอาอกุศลมาไว้ในใจเนี่ยมันจะสกปรกมากว่ากั้นเถอไม่สะอาดเลยให้พิจารณาถึงตัวมันเลยว่ามันมันมันมีโทษยังไงพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยมันจะถูกละได้ในวิธีที่2 ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังละไม่ได้ท่านสอนวิธีที่สามถ้าพิจารณาโทษของวิตกอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทาโทสะโมหะเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็ยังละไม่ได้เธอไม่ควรระลึกใส่ใจถึงวิตกนั้นอันนี้วิธีการไม่ไม่ให้ใส่ใจแล้วเมื่อเธอไม่ละลึกใส่ใจถึงวิตกนั้นวิตกนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แปลว่าใช้วิธีการ ไม่ละเลึกถึงอาการมวิตกไม่ละเลึกถึงพยาบาทวิตกไม่ละเลึกถึงวิหิงสาวิตกวิธีการตรงนี้ให้ทำยังไงไม่ละเลึกถึงอาคุโสวิตกที่เกิดขึ้นด้วยการเจริญกรรมฐานก็คือหรือสาธยายทำเปลี่ยนกรรมฐานหรือไม่อย่างนั้นสาธยายทำเลยตอนนั้นนะ อีตีปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธไปเลยนะอย่างงี้นะจะรู้มันละไม่ได้นะสาธะยายเลยนะจําสูตรไหนแม่นแม่นสาธะยายไม่ใช่ได้แค่น้โมตสาน้ำโมตสะน้โมตส่างอย่างนี้คะเตสิกคเตสิกกิงกาลนาก็ได้ใช่ไหมได้ไหมได้ไหมว่าไงนะแปลว่าอะไร ออกาแค่ okay, นี้นะผีออกเลยลจะก็คาถาไล่ผีนี่ก็คือแล้วเปลี่ยนกรรมฐานนะเปลี่ยนกรมนนนกรมฐานก็คือด้วยการเจริญกรรมฐานหรือสาธยายทมวิธีนี้ไม่สนใจ ภิกษุไม่ระลึกถึงวิตกนี่นก็คือในขณะนั้นก็คือถ้าภิกษุนั้นไม่ระลึกไม่ใส่ใจวิตกวิตกตอนที่เป็นบาปกระสหรือโมหะเกิดขึ้นอีกเธอควรพิจารณาก็คือตรงนี้ก็คือว่าไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจถึงวิตกนั้นไม่ระลึกอุปมาเหมือนคนมีตาดีไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านมาก็ควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นชั้นใด ถวิตกมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำยังไงก็ละไม่ได้ใช่ไหมเช่นเวลาโกรธเนี่ยหนูเวลาโกรธมากเกลียดคนนี้มากเครียดมากอะไรต่างเกิดพยาบาดวิตกหรือเกิดคิดอยากจะทำลายไปเสียก็อย่าไปสนใจเหมือนมีคนผ่านมั่งหน้าเราไม่อยากเห็นก็หลับตาไม่ไม่ใส่ใจหรือไม่เหลือหมอยใดทางอื่นนี่ก็เหมือนกันเวลานั้นถ้ามันเกิดว่าอืมันเครียดมันโกรธมันกำหนัดยินดีหรือมันเกิดคิดอยากจะทำลายทั้งหลายอลไรเนี้ยวิธีการก็คือที่ง่ายที่สุดก็หนูนึกถึงอะไรก็ สาธยายเลยไม่ใช่จําเพลงได้ร้องเพลงเฉยเลยเป็นการมว้วนตกเฉยเลยไม่ อ, อันนี้ก็คือว่าสาธยายใช่ไหมยังมากับพุทธคุณได้แล้วอันนี้เป็นคาถาเ้าเรียกว่าเป็นบทหากินเอาอิทธิวิโอยิ่งจำมันท่องอิทธิ ว, วิโสภากรวาอะไรท่องหลายๆรอบหายไหมใช่ไหมท่องบสาธยายไปเรื่อยๆเลยเอา้าถ้าจะก็นี้ก็ฝึกก็ได้หลายๆ จำไว้หลายๆบทจริงดีอประการต่อมาถ้าทสามวิธีแล้วใช่ไหมวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามยังละไม่ได้อีกเอาเอาวิธีที่สี่ถ้าภิกษุนั้นไม่ระลึกไม่ใส่ใจถึงวิตกนั้นวิตกนั้นเป็นบาปกระส น, นที่ประกอบด้วยฉันทาโทสะมหาเกิดขึ้นนี้เธอควรพิจารณาเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้น โ, โหนี่ยากเริ่มยากขึ้นมาเน้ต้องใช้ปัญญาเยอะเลยอะไรเป็นเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นรู้ไหม รู้ไหมไอเหตุที่ทําให้การวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดวิหิงสาวิตกเกิดคือสัญญาวิปลาสไอตรงเนี้นะให้พิจารณาเหตุเกิดก็คือไอตัวสัญญาวิปเมื่อเธอพิจารณาเหตุเกิดดังกล่าวย่อมละวิตกได้วิตกนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิแล้วก็ละวิตกได้อุปมาเหมือนอะไรเหมือนคนเดินเร็ว เมื่อคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินทำไมถ้ากะไรเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินไปทำไมถ้ากะไรเราควรยืนเขาก็ยืนเมื่อเขาคิดอย่างนั้นเราจะยืนทำไมถ้ากะไรเราควรนั่งเขาจึงนั่งเขาคิดว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้ากะไรเราควรนอนเขาก็นอนคนผู้นั้น เว้นยาบทหยับๆยาบแล้วก็ใช้ยาบทละเอียดละเอียดแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นถ้าภิกษุนั้นไม่ระลึกไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยชันทะาโทสะและโมห oh ะยังเกิดขึ้นอีกเธอควรใส่ใจที่ตั้งและเหตุที่ปรุงแต่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอใส่ใจที่ตั้งเหตุดังกล่าวย่อมละวิตกจิตก็ตั้งมัน่นเป็นสมาธิตั้งมั่นโดยแท้พอละวิตกได ไอ้ตรงเนี้ยวิธีการนี้ก็คือพิจารณาเหตุเกิดของอภิสวรรที่ตกคือสัญญาวิปลาสโดยการพิจารณารูปที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ยมันเกิดจากสัญญาวิปลาสนะเช่นเราไปพิจารณาว่านี่รูปของเราใช่ไหมไปพิจดนาถึงเขาถึงบุรุษถึงสตีนแท้จริงอะ่ะเราไปเห็นโดยปเปล่ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาเนี่ยมันเกิดจากสัญญาวิปลาส ท่านก็นเลยพิยจนารณาเป็นาธาตุเลยตอนนี้ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปดูนะไล่ไปดูนะเออเรากําหนัดอะไรเนี่ยกําหนัดที่ผมใช่ไหมที่ขนใช่ไหมที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไตใหญ่ไตน้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองและในนั้นก็คือดินน้ําไาลมเท่านั้นเองเนี่ย เราไม่ได้แยกองค์ประกอบนี่เองเราจึงกำหนัดเราไม่ได้แยกองค์ประกอบนี่เองเราจึงโกรธเราไม่แยกองค์ประกอบนี่เองเราจึงเกิดคิดอยากจะทำลายถ้าไปแยกองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดแต่แล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยพราแยกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหมดไหมแต่ต้องเห็นไหมว่าต้องแยกแต่ละชิ้นละชิ้นเ้าไปถ้าแยกเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อมันก็พยายามบอกนั่นแหละไอ้ที่รวมทั้งหมดนั่นแหละโกรธใช่ไหมเพราะการโกรธมันจะมองเป็นมันจะมองเป็นอง์รวมมองเป็นแท่งทบ แต่ถ้าเราแยกออกเสียเนี่ยเราโกรธอะไรแยกไปเรื่อยออๆอยยอแยกไปเรื่อยๆอย่ายอมแยกไปเรื่อยๆเพราะมันมาจากสัญญาวิปลาดนี่แหละเราไปจําว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายพอใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยเราโกรธเลยนะยกตัวอย่างเช่นท่โยมบีโยมบีโกรธโยมแหม่มสมมุติ น, นีก็คือดินน้าไปลม้มใช่ไหมพอไปใส่คําว่าแหม่มเข้าไปเนี่ย อ๋อมันไปติดบัญญัติคําว่าแม่มแท้จริงก็คือดินน้ําไฟลมอะถ้าจะกรอดมันต้องกรอดทุกกระแสะชีวิตเลยนะมันเป็นดินน้ําไฟลมหมดเลยใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหมดเลยเนี่ยอ๋อพอไปใส่ป้ายชื่อเนี่ยมันถึองกรอดเหมือนตรงเนี้เนี่ยพอไปติดคําว่าศาลามันจะเป็นสล า, าใช่ไหมเราไปนึกว่าเรากรอดไหมสล า, านี้ไม่ได้เรื่องเลยพอไปติดว่าบ้านนี้บ้านนี้ไม่ได้ยื้อเรื่องเลยก็ไปติดว่าเป็นกุฏิ เป็นบ้านเป็นศาลาเป็นห้องประชุมเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทต้องไปติดไว้ที่เนี่ยมันก็จะเราก็เลยไปเห็นเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงแต่จริงลองถอดองค์ประกอบออกมาทีแต่ะชิ้นแต่ะชิ้นมันไม่มีหรอกถอดเอามาถอดรังคาออกมาถอดฝ้าออกมาถอดเสากออกม า, ถ อ, า, ออกมาถอดไม้ออกมากองกองๆกองกองไอ้คําว่าศาลาหายเกลี้ยงหมดเข้าใจยังแทนตะกดอะไรกําหนัดอะไรไม่พอใจอะไรคิดทําลายอะไรไปถอดชิ้นส่วนมาใช้อะไรถอด ใช้สติและปัญญาไปถอดออกแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้นนี้ถอดถอดไปบ่อยถอดไปบ่อยสำคัญไม่รู้เลยมีชิ้นไหนบ้างงงงั้นถอดออกมาถอดทอทถอดอดอดถอดเรียบร้อยหมดรักไม่นินถ้าถอดออกมาแล้วงั้นไปก็ไปยืนยันไม่ถอดก็ไปนั่งถอดสิถอดไปนั่งถอดนี่ผมนี่ขนนี่เล็บไปถามตัวเอง เรารักผมใช่ไหมเรารักขนใช่ไหมเรารักเล็บใช่ไหมเรารักฟันใช่ไหมเรายินดีในหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหรืออาหารใหม่ที่กําลังกินเข้าไปหรืออาหารเก่าที่กําลังไหลออกมาหรือตัวมันสมอง <c oughs> เรารักตรงไหนเนี่ยรักตรงไหนแยกออกมาแยกออกมาแยกครั้งที่หนึ่งไม่เห็นแยกครั้งที่สองแยกไปเรื่อย ๆ, ๆโอ้ หมดไหมตัญหามันไม่ยอมแยกมันจะรวมแล้วจะเห็นว่าสวยงามงามงามมันดีใช่ไหมไปแยกออกมาแล้วแยกแต่และชิ้นละชิ้นละชิ้นนะเข้านะาเข้าโทรศัพท์ว่าไม่เอาแล้วตัดขาดดีไหมมันเป็นนั่งแยกเลยนะแยกสักห้าชั่วโมงไม่เหลือไม่เหลือหรอกแยกแค่หชั่วโมงแค่นนะั้นไหนที่ว่ากําหนัดยินดีทั้งหลายหรือโกรธหรือขัดเคืองหรือคิดทําลายเนะี่ย เรียบร้อยมันมาจากสัญญาวิปลาสวิปลิตนี่มันไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเป็นลูกโอ้โหจะคิดไงเดี๋ยวตายเลยเดี๋ยวเย้ายวงลําบากแล้วไม่ใช่ลูกแล้วเนี่ยี่บอกพ่ออย่าคิดอย่างนี้นะไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นพ่อเนี่ยจะปฏิบัติได้ดีขึ้นดีกว่าเดิมเนะพราะจะไม่ปฏิบัติด้วยความลําเอียง แต่การที่ไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจะมีความลำเอียงสูงมากมีชั้นทารกติบ้างมีโทสาคติบ้างเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นอกุศลใส่กันตลอดแต่ถ้าพิจารณ า, างี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะทําทหน้าที่ความเป็นพ่อได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนี่เป็นงี้นะนั่นควรจเจริญตรงนี้สี่วิธีนะเอาวิธีสุดท้ายถ้าภิกษุใส่ใจที่ตั้งของเหตุที่ปรุงแต่งวิตกเหล่านั้นเนี่ย วิตกที่เป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉั้นท่าตัวสารและโมหะยังเกิดขึ้นอีกขนาดวิจัยตั้งเป็นสิบๆรอบแล้วยังละกามวิตกไม่ได้พยาบาทวิตกไม่ได้วิ่งสาวิตกไม่ได้นี่วิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเลยนะเป็นวิธีที่ว่าวัดกําลังกันวิธีในประเภทที่โอ้โหนี่นี่พระพุทธเจ้าชอบมากวิธีนี้แล้วก็สอนพระภิกษุเมภิกษุบทสุดยอดมากวิธีจะละบาปแล้วก็ชั้นชั้นยอด บอคนที่แน่สุดๆเดี๋ยนี้ยนะเาจะใช้วิธีนี้นี่ให้ท่านเม้งนะให้ใช้วิธีสุดท้ายนะทำยังไงวิธีสุดท้ายเธอควรใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นเห็นโดยมากคนไปอ่านนะ ไ, ได้ไปในวิโดก็ได้กันแค่นี้แหละหลักการก็ให้ใช้ยังไงรู้ไหมจริงๆเนะี่ยใช้หลักการนั้นจริงอยู่แต่ ให้ใช้กุศลและจิตข่มอาคุณและจิตคือวัดว่าเฮ้ยเรากําลังกุศลเรามันแข็งแรงกว่าใช่ไหมจิตเราแข็งแรงจิตเราตั้งมั่นจิตเราเป็นกุศลจิตเราเป็นมหากตาจิตเรายิ่งใหญ่กุศลเราแข็งแรงกว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจัดการได้ไม่ยากปกใจอ่ะเขาอุ้ยดีวิตีปลกใจเหมือนนักมวยเขาจะขึ้นชกเนี่ยเขาปกใจกันหน้าด้เนี่ยปกใจให้เกิดกุศลเกิดขึ้น เท่ากับอ้กระจอกขอไปนะไอนน้บาปแค่นี้กระจอกการมวิตกนี่กระจอกวิหิงสาวิตกกระจอกเย้ไหมพยาบาทวิตกนี่กระจอกมากมีพลังมากปุกล้าวอย่างนี้นะเราจะใช้กุศลจิตข่มอกคุศลจิตเผาอากุศลจิตเห้ยไหมด้วยการใช้ลิ้นดุล น, นั้นคือรูปธรรมแค่นั้นนะเพาะดานเนี่ยที่บอกว่า เธอใช้ฟันกดฟันใช้ฟันกดกันไว้แน่นอันนี้คือรูปแบบแล้วก็ใช้ลิ้นดุลเข้าไปในเพดานดุลเข้าไปแต่จริงๆลึกๆข้างในก็คือใช้กุศลใช้กุศลจิตข่มอกุศลจิตใช้กุศลจิตเผาอ่ะกุศลจิตแล้วก็เมื่อเธอทำเช่นนั้นย่อมละวิตกได้วิตกเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบ โดยแท้พอลาวิตกเหล่านั้นได้อุปมาเหมือนคนที่แข็งแรงถ้าเรามาฝึกกุศลเราจนแข็งแรงแล้วใช่ไหมไอ้เจ้านี้ก็มามางอกแงกงอกแงกอยู่เรื่อยมาคอยกวนมาคอยดัดทางที่เราจะเดินกุศลอยู่เรื่อยมันเหมือนเรามันเหมือนเราเจอเด็กคนนึงเนี่ยเราจะเดินที่ไหนเลยไอ้เจ้านักเลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เดี๋มีกําลังไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกเราจะเดินทางมากัมาคว้างบั่งอะไรบั่งสรารพัดแต่เรารู้ยนี้ไม่เดีมีอะไรเลยเขา้าใจไหมอ่านขาดไปแล้ว อันนี้ไม่ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้อะไรเลยแต่เราแข็งแรงกว่าฉลาดกว่าตั้งมั่นกว่ามีพลังมากกว่าเ้าก็เลยอุปมาบอกว่าอุปมาเหมือนคนแข็งแรงอ่ะจับคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็บีบคั้นรัดศีรษะหรือรัดคอฉันใดพิกสูก็ทันนะก็ทันนั้นเหมือนกันเราไปเจอคนที่จะมาสู้กับเราแต่เขาอ่อนแอกว่าเรานี่ขึ้นจับกดคอไว้เลย คือหลักการตรงนี้ที่ว่าเพียงมาขนาดนี้แปลว่าอากุศลเริ่มอ่อนแรงหรือยังกุศลอากุลไอ้บาปมันเริ่มอ่อนแรงมาตั้งแต่ข้อแรกแล้วนะมันอ่อนมาแล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่วิธีพิชิตนี่วิธีสุดท้ายเหมือนนักมวยปั้มอ่ะเคยดูมวยปัอมอ้มไหมล็อกเลยใช่ไหมชนะเนี่ยนอนวิธีเนี่ยเพราะว่ามันโดนเราเล่นมาทั้งสี่วิธีแล้วน่วมแล้ว ที่เราสู้มาไม่ใช่อยู่ๆไปใช้ข้อสุดท้ายนะมันก็ไม่ใช่งั้นเฮ้ยล็อกข้อสุดท้ายเลยครับวิธีการเขาเขาเรียกว่าเล่นจากจากจากไปเบาไปหาหนักค่อยๆค่อยๆค่อยๆตีวงล้อมมาตีวงล้อมมาสุดท้ายปุ๊บใช้กุศลจิตขม่มอกุศลจิตเผากุศลจิตโดยประกอบความเพียรองคศีนะคือเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือเดเอ็นหนังกระดูกก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุนะอานิหารธรรมะอะไรผลถ้าไม่ได้บรรลุพระทิพานนะ์ก็จะไม่หยุดความเพียรจะไม่เปลี่ยนเอียบทจนกว่าจะได้บรรลุธรรมนี่ใช่ไหมก็ข่มมาข่มมาข่มมาต้อนมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้ขั้นตอนการบรรลุนะบอกว่าเอาละ ว, วิธีการเนี่ยให้สังเกตุไหมพุทธเจ้าไลา่ไลจ่จัดการจัดการกาม กิเลสมารขันธ์ารรมะไล่มาตามลําดับไล่ๆๆแล้วจนถึงเทปุทธมารพอชนะเทบุทธมารปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ว่าเนื้อและเลือดจะเหือยนแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพุทธญาณจะไม่ทําลายบันลังนี้โอ้เรียวเลยนี่เนี่ยวิธีการนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดใช่ไหมเขาเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนี่ผู้ชํานาญ วิธีทางเดินเหววิตกโดนเล่นตั้งสี่วิธีแล้วเขาอ่อนแอไหมอ่อนแอแล้ที่สุดจริงๆเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องใช้วิธีเราเนี้ยไล่มาตามลำดับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ะขั้นตอนสุดท้ายก็หักคอกด <c oughs> ได้วิธีแล้วได้ยัง ไม่ใช่อยู่ๆใช้วิธีที่ห้าพูดเลยกลับมาแพ้ลาบเ <c ười> ค่อยใช้ตั้งแต่ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, <c ười> เพราะว่ากุศลเรามาได้แข็งแรงแล้วเราทำมาจนถึงขนาดนั้น อันนั้นแน่นอนอันี้หลักการดังนั้นก็ได้บอกไปแล้วในทเวทาวิตกสูตรแปลว่าเข้าใจโดยวิธีการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วะเมื่อภิกษุใส่ใจในมิตรใดอบรมแล้ววิตตกอันเป็นบาปกระสูนที่ประกอบด้วยฉันทาโทสาและโมหะเธอนั้นใส่ใจในมิตรซึ่งประกอบไปด้วยที่นอกนั้นเธอย้ำละวิตกได้วิตกก็ตั้งเดี๋ยวไม่ได้จิตก็ตั้งมันสงบนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามที่สี่ที่ห้า เมื่อทำทั้งสี่วิธีเหล่านี้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกชำนาญรู้ช่องทางมันเลยงั้นเริ่มต้นใช้วิธีที่หนึ่งต่อมากันนวดด้วยวิธีที่สองนวดด้วยวิธีที่สามนวดวิธีที่สี่แล้วก็ล็อกเฮดล็อกด้ <c oughs> ครั้งสุดท้ายเลยน <c> ะ <oughs> ครั้งสุดท้ายเลยจัดการเลยเี๋ยปิดประตูเล่นเลยกล่าวว่าจะใช้เวลากี่วันเนี่ <c oughs> จะจัดการมันได้ เด็กชำนาญในวิถีทางเดินของวิตกเธอหวังวิตกใดก็จะตึกวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตึกวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะละมานาได้โดยชอบพระพุทธเจ้าตรัสวิธีการอย่างนี้พิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมว่าเนี่ยได้อาวุธได้วิธีการได้หลักการในการที่จะไป จ, จัดการกับกิเลสแล้วพากันชื่นใจจําหลักการนี้เข้าไว้แล้วต่อไปเราจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ยาก เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเรามากบอกวิธีการกำจัดบาปทุกขั้นตอนแต่สำคัญพอรู้วิธีเสร็จแล้วไปนอนโอ้ยฉันรู้วิธีหมดแล้วนี่ได้แต่ปริยัติแต่ปฏิบัติไม่ลงมือทำสัทีนี่ห้าม เห็นไหมมีวิธีการจากค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดประตูเล่นเลยเล่นสุดท้ายเลยอันนี้เอาไปใช้ในการอ่านหนังสือก็ได้ใช่ไหมคนที่มีการมาวิตรกพยาบาทวิตกวิหิงสาววิตออกมากๆก็ไม่อยากอ่านก็ใช้วิธีที่หนึ่งก่อน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทำไงก็พิจารณาถึงทานศีลภาวนาพิจารณาถึงปัญญาพิจารณาถึงความทั้งหลายเลยเนี้ยกระตุ้นอนถ้าไม่ได้ก็ใช้วิธีที่สอง วิธีที่สองทำไงเห็นโทษของการไม่อ่านหนังสือเราจะกลายเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่ฉลาดยังไงเบีดเสร็จเนี้ยอ๋อพิจารณาเห็นโทษเบีดเสร็จปุ๊บแล้วยังไม่นั่นอีกยังไม่ยอมขยันอีกทําไงต่อไม่ใส่ใจถึงความเกียจค้านเลงว่าไงเถอะท่องเลยท่องสูตรท่องอะไรต่างๆที่เราเรียนมาเลยปุ๊บๆๆๆๆๆนะไม่ได้ทําไงพิจารณาแยกแยะเลยเด็ดเนี้ยพิจารณาแยกแยะอะไร แยกอะไรถึงจะถ้าในกรณีนี้จะแยกแยกอะไรอ่าไอ้ความคิดวิประรา์เนี่ยไอ้ความคิดวิประรา์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ทำให้เราเกียดค้านทั้งหลายเหล่านี้เพราะเราไม่เห็นสาระของการศึกษายัางไงพิจรารณาเลยเนึงถ้าหากยังไม่ได้อีกความเกียดค้านมาแล้วเรารู้แล้วเราเล่นนวดมันจนเริ่มอ่อนแอแล้วล็อกคอจัดการมันเลยเลยนี่ <laughs> บีบมันให้ตาย บีบากไม่ตายแบบเสร็จแล้วก็รู้ชนะโอ้โหดูหนังสือได้ทั้งคืนเลยเีนี้วิธ <c oughs> ีการ <c oughs> นี่เอาเห็นไเอาเอาเอาไปใช้กับการดูหนังสือเอาไปทำกับทำกิจการทุกอย่างได้หมดเลยนะแล้วก็จะไปไปเอาไปใช้ปรับปรุงใช้ในเรื่องอะไรแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีนะ <c oughs> เขาเลือกได้วิชาพระเจ้าไปแล้วรีไปอ่านเนี่ยพระไตรปิฎกมันสรุปออกไม่ได้ใช่ไหม แล้วก็ล็อกก็คือห้าวิธีโดยย่อๆก็คือวิธีที่หนึ่งให้ระลึกถึงเหตุที่ประกอบไปได้วยกุศลนะเวลาจะวันนี้มีท่าประการวิธีที่หนึ่งก็คือระลึกถึงเหตุที่ประกอบไปได้วยกุศลก็คือทานศีล ส, สมถาวิปัสนาที่นอกไปจากอารมณ์ที่ทําให้เกิดอกุศลนี้ตกเพราะว่าอากุศลนตกเนี่ยมันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดผาชใช่ไหมอันหน้าปรารถนาหน้าคขา่หน้าพอใจมันถึง กำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างลุ่มหลงบ้างใช่ไหมแล้วก็คิดไม่คิดในเรื่องนั้นคิดที่ตรงกันข้ามคิดให้ทานคิดศีลคิดสมาธิคิดวิปัสสนาอะไรนี่คิดตรงกันข้ามถ้าคิดอย่างเงี้ยวิตกอ่อนแรงแล้วพรภกุศลวิตกมันเกิดขึ้นวิตกเริ่มเริ่มเริ่มอ่อนแรงแล้วแต่มันยังมาแทรกได้เป็นระยะระยะอีกใช้วิธีที่สองเข็นโทษของมันอกุศลวิตกเนี่ยมันน่าเกลียดยังไงมันให้ผลเป็นทุกข์ยังไงตัวมันเองก็มีโทษ มีโทษแกตนเองด้วยแกผู้อื่นด้วยมีทุกข์เป็นวิบากด้วยทั้งในปัจจุบันก็มีทุกข์ด้วยในการต่อไปก็ให้ผลเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่เอาเลยเนี่ยอา้าวพอคิดจกลางนี้แล้วมันยังไม่หายอย่างเด็ดขาดอีกแค่วิธีที่สามเลยทีนี้ให้ระลึกถึงไม่ระลึกถึงอกักศรน้ตกสาัยายเลยทีเนี้จเจริญกรรมฐานอื่นพุทธคุณเลยว่าไปอา้าวถ้ายังมันยังไม่เด็ดขาดอีกมันยังมาได้อีกเป็นระยะระยะใช้แบบ ละต้นเหตุเลยพิจารณาตัวสัญญาวิปลาสที่มันเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายวิจัยแยกแยะองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้เลยพ่าตัดเลยเดี๋นี้ใช้ปัญญาก็ไปพ่าตัดป๊อปป๊อ ป, อ ป, อ ป, อปอเริ่มอ่อนแรงไหมหนะเข้าในเข้าโอโ้โหเริ่มเห็นกําลังเขาเริ่มอ่อนก็มาจริงเนี่มาออดแอ้มากขั้นตอนสุดท้ายจะครบได้แล้วเดีเนี้ยเอาเลยเดีเนี้ยขั้นเผด็จศึก เนื้อและเลือดจะเหงื่อแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเย็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุแล้วจะไม่ลุกจากบันลังนี้นี่ระวังกันเถอะจะไม่ทำลายบันลังมีพระพุทธเจ้าสารเสริญข้อสุดท้ายที่ <c oughs> พอชัดเจนนี่ยังมีใครจะถามอะไรไหมรอดีมีใครจะถามอะไรไห ม, ม, ม, ไ, ไ, หมไม่ถามเลยนะ ไม่ถามเดี๋ยวทำจิตให้สงบสงบกันหน่อยดีไหมเดี๋ยวยังไม่ได้สวดอีกบทหนึ่งเดี๋ยวสวดบทหนึ่งเสร็จก่อนแล้วก็ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลกันเดี๋ยวจะสี่โมงแล้วเปิดไปหน้าที่สี่สิบเก้าสวดชยัสสิทธิคาถา บาหุงสหสมาพินีมิตรสาวุทันตังครีเมฆรังอุทิตโครสซาเซนารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโด สันเตชะสาบาตุเตชายาสิทินิจังปางเมื่อพระองค์ปารามาพุทธท้าวิสุทธาสาสดาตรจะรู้อนุ ตารสมาทินาโพธิบาลลังคุณมานสาหัสสะาหูภาโหวิชาวิชิตครังขีกรีริมขาราปัทาง ขาชัียมกะเฮิมหานแสงเสกสาราุทาปาดิศการคิดจะรอนลานรุมพนภาหลพายุหาปานถ้าสะหมถ้านองมา หวังเพื่อาจนวารามูนินทาสเชนนาราชาพระปราพระหลนพายุหามารามเรืองมารายสูนโดยเดชองค์ พระโทษสะพนสุวิมลลภัยบุญทานาที่ทำมาวิธิกุลชานะนโมมโนตามด้วยเดชศาสตร์เจาวจนะ และนมามิองสามขออจงนิกรพระรสยามชายสิที่ทุกวันถึงแม้จะมีอาริวิเศษพระราเดชเทียมมาน ขอไทยผาจนพิชิตตาพานอารีแม่มูนินทอนกราตั้งจิตให้สงบหลับตาละลึกถึงพระพุทธคุณเนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะพยามารณะโพธิบัลลังพระบรมศาสดาได้ตัดสรุนุตต ส, สัมมาสัมโพธิญาณแล้วในควงไม้โพธิพฤกษ พยามานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัสรู้สัมมาสัมพทิยานวัสดีมานพร้อมด้วยเสนามานก็ขี่ช้างคริเมกในการที่จะเข้ามาประหัตประหารเพื่อต้องการทำลายพระมหาบรุษให้ลุกจากบรรลังตอนนั้นพระบรมโพธิสัตว์พระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์ได้ตั้งอัฐยาสัยวันเนื้อและเลือด เหือดแหงหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพทธิยานจะไม่ทำลายบันลังนี้ท่านก็ระลึกถึงอะไรตอนนั้นเทพเทวดาทั้งหลายพรมทั้งหลายก็อันตรทานหนีไปหมดแล้วตอนนั้นพระบรมศา ส, สดาพระมหาสัตว์ก็ระลึกถึงทานบรารมีระลึกถึงสีและบรารมีเนคขมะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะอธิษฐานาเมตตาและเวคาบารมีและลึกถึงอุปบา ร, รมีสิบปรมัภะบารมี10บและลึกถึงมหาปะรจาค้าทั้ง5น้อมเอาคุณความดีและบารมีเหล่านั้นมาไว้ในตนและลึกถึงทานถึงศีลถึงเนคขมมะสรุปก็คือและลึกถึงศีลและวิสุทธิจิตแต่วิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาเป็นต้นจนถึงญานนณทัศนวิสุทธิ และเลือกถึงคุณธรรมทั้งหลายที่สั่งสมเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดน้อมาไว้ในตนมาเป็นเกราะคุ้มครองมารไม่สามารถจะทำลายพระมาหาบุรุษได้ไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารก็เข้าแทรกไม่ได้เพราะตอนนั้นใจของพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยกำลังของกุศลอย่างแข็งแรงมากทั้งทานกุศลแข็งแรงมากศีลกุศล เนคขมาปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานาเมตตารฤกษ์วเวขาบรมีศีลสมาธิปัญญาเต็มเปี่ยมในกระแสในห้องใจของพระโพธิสัตว์ฉะนั้นเมื่อสภาพจิตใจนั้นมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมเต็มไปหมดก็ส่งผลยังรูปธรรมทําให้รูปธรรมนั้นกุศลทั้งหมดเหล่านี้เป็นทิฏฐธรรมเวทีกรรมปกครองคุ้มครองกระแสชีวิตของพระมหาสัตว์ของพระโพธิสัตว์นั้นได้อย่าง ตังมันพญามารทั้งหลายแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะกระทบแม้ผิวของพระโพธิสัตว์ได้หรือของพระบรมโพธิสัตว์ผู้พระเจ้า ก, ก็ชนะกำจัดกิเลสได้กำจัดความตายได้กำจัดอภิสังขารมานได้กำจัด มัดยุมานตลอดถึงเทโพธมานก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายได้เห็นไหมที่บอกว่าจะเนรมิตอะไรคิดจะรอนลานอย่างไรเอาบรรดาเสนามานมาล้องมาล้อมอทำอย่างไรหวังจะทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยมาลายหรืออันตรธานหรือมีอันเป็นไปด้วยเดช ท, ที่ท่านพิจารณาถึง ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเป็นต้นเอาน้อมอาไว้ในตนสามารถชนะนะชนะกิเลสสมารขันธมารเทพุทธมารมัจจุมารเป็นต้นได้จนถึงอภิสังขารมารได้เป็นสัมมาสัมพุทธให้เราเลยเรีกว่าด้วยการสาธยายพุทธคุณบทนี้ ข้าพเจ้าขอระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยคันติสัจจะธิ่ฐานเมตธาและเวขาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมบารมีเหล่านั้นด้วยความที่ข้าพเจ้าระลึกถึงพุทธคุณเหล่านั้นขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงพระทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตธาเวขาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการกําจัดกิเลสมารมัจุมานเทเบตมารอภิสังขารมานมัจุมารได้ตามพระพุทธเจ้าได้ด้วยเถิดถ้าคิดอย่างนั้นนะนั่นเราละลึกถึงพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำและชนะพยามารจนถึงชนะกิเลสสมานได้แล้วก็ละลึกทําจิตของตนเองให้มีความอาจหารตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อกิเลส ราคะจะมากุ้มลุมอย่างไรเราจะไม่ชันเราจะไม่ยอมแพ้โทสะโมหะากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกจะมากุ้มลุมอย่างไรเราจะใช้วิธีการที่เราศึกษาฟังพระธรรมหลักการที่พระเจ้าบอกไวเอามาปฏิบัติในการกําจัดวิตกเหล่านั้นให้พิจารณาดูนะว่าใครเจอวิตกตัวไหนเล่นงานความหงอยเหงาเศร้าซึมมันอยู่ในการมวิตกกับพยาบาทวิตกเรารู้มันแล้ว นะีความง่วงความหดวูุกันมาจากวิตกเหล่านี้เราจะใช้วิธีอะไรวิธีที่1น่งทันยังไงใส่ใจในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลวิธีที่2มองไปที่โทษของวิตกยังไงนะเป็นต้นวิธีที่สมไม่ใส่ใจสาธยายพุทธคุณเป็นต้นวิธีที่4นะวิจัยแยกแยะเลยนะีถอนอัตตาตัวตน วิธีสุดท้ายก็คือเมื่อจิตมีพลังแล้วข่มจัดการได้ยังไงนะให้พิจารณาอย่างนั้นเอาละเดี๋ยวจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้เราฝึกในการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิเดินปัญญาเดินเนคขม่าเดินอภยาบาตรเดินวิหงส า, าวิหิงสาวิตกถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้ากัน